จเจริญพรโยมมีความสุขดีไหมชาวพุทธมีบุญนะชาวพุทธนะเป็นคนมีบุญเรารู้ว่าอะไรเป็นสาระแก่นสารของชีวิตอะไรเป็นสาระอะไรไม่ใช่สาระอะไรมีประโยชน์อะไรไม่มีประโยชน์เนี่ยอะไรอยู่ในรูในทางอะไรนอกรูนอกทาง ชาวพุทธที่ดีจะรู้สิ่งเหล่านี้งั้นเราจะไม่ได้มีชีวิตแบบตามยถากรรมคนซึ่งไม่มีหลักของทางจิตใจเหมือนมีชีวิต ต, ตามยถากรรมอยู่ไปวันๆหนึง่งเกิดมาก็โตไปกินข้าวแล้วก็โตไปตามยถากรรมนะเรียนหนังสือตามยถากรรมออกมาทำงานมีครอบครัวมีลูกมีเมียแย่งชิงกันไป เราก็แก่ไปตายไปตามยถากรรมไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรในชีวิตเลยไร้สาระพวกเราได้ฟังธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนเรารู้ว่าอะไรเป็นสาระเป็นแก่นสารทุกคนเกิดมาเรามีเป้าหมายในชีวิตเรารู้ว่าเราเกิดมาทําไมเรารู้กระทั่งว่าทําไมถึงเกิดมานะรู้ลึกซึ้งนะหลวงพ่อเคยคราวหนึ่ง ไปนั่งอยู่กับหลวงปู่เทศก็มีผู้หญิงคนหนึ่งนะสงสัยชีวิตจะมีความทุกข์มากร้องไห้นะร้องโหโหโหมามาหาหลวงปู่หลวงปู่ทาไมหนูต้องเกิดมานะเพราะไม่รู้เพราะไม่รู้ทําไมหนูต้องเกิดมาเนะี่ยซ้ำอีกหลวงปู่บอกเพราะไม่รู้หลวงปู่ไม่รู้แล้วใครจะรู้แบบนะี้ ควาจริงท่านตอบให้เรียบร้อยแล้วนะเพราะความไม่รู้ถึงเกิดมานะเกิดอะไรเกิดทุกข์นั่นแหละจะเกิดอะไรคนไหนความจําดีๆนะเกิดระลึกชาติได้บางคนระลึกชาติได้ความจําดีๆแล้วจะรู้สึกเลยว่าชาติไหนที่ไม่ได้เจอพระพุทธศาสนานะชีวิตมันวังเวงมันรู้สึกวังเวงนะมันไม่ได้ชั่วนะ จะชั่วจะดีมันก็แต่ละคนมันก็อบรมของตัวเองมากระทั่งคนดีๆนันแะชาติใดไม่ได้เจอพระพุทธศาสนานะมันรู้สึกวังเวงไม่รู้่าอยู่ไปทําอะไรก็ทําคุณงามความดีไปนั่นแหละแต่ไม่รู้เป้าหมายของชีวิตพระพุทธเจ้ามาสอนเรานะให้เรารู้ว่าเป้าหมายของชีวิตเราเนี่คืออะไร บางคนก็ถามเกิดมาทําไมเกิดทําอะไรก็ช่างมันเถิงะนะแต่ว่าจริงๆทุกคนมีเป้าหมายของชีวิตที่จะต้องพัฒนาจิตใจของตัวเองไปสู่ความพ้นทุกข์ให้ได้ทําไมเราต้องมีชีวิตที่อ ม, มอยู่กับความทุกข์เหมือนคนอมโรคเรื่องอะไรต้องทําอย่างนั้นเราสามารถมีชีวิตที่มีความสุขได้คนไหนได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้านะจะได้รับประโยชน์ได้รับความสุข งันพระพุทธเจ้าเวลาท่านจะส่งพระสาวกไปประกาศพระศาสนานี่ยท่านก็บอกพระสาวกมอบหมายหน้าที่ให้บอกว่าให้ไปประกาศธรรมะนะที่งามในเบื้องต้นในถ้มกลางในที่สุดเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขของมหาชนจนํานวนมากสิ่งที่จะได้จากการฟังธรรมนะคือประโยชน์ความสุขประโยชน์หมายถึงว่าอะไรหมายถึงต้องมีชีวิตที่ดีขึ้นนะ แล้วก็ไม่ใช่มีชีวิตที่ดีขึ้นแบบเป็นทุกข์ด้วยต้องมีความสุขด้วยบางคนเข้าใจผิดเห็นศาสนาพุทธสอนเรื่องความทุกข์เยอะก็เลยว่าศาสนาพุทธเนี่ยมองโลกแง่ร้ายความจริงไม่ได้มองโลกแง่ร้ายท่านให้เรียนรู้ปัญหาชีวิตมันมีปัญหานะเรียนรู้ลงมาเรียนรู้ลงมาชีวิตมีความทุกข์ก็เรียนรู้ลงมาความทุกข์อยู่ในกายในใจรู้อยู่ที่กายที่ใจนี้ เรียนรู้ไปเรื่อยๆแล้วแล้วก็ความทุกข์มันจะค่อยๆหายไปแต่เดิมหลวงพ่อพูดอย่างนี้นะพูดแล้วก็ต้องออมๆหน่อยพูดมากไม่ได้ถึงวันนี้หลวงพ่อกล้าพูดเต็มปากเต็มคาเพราะหลวงพ่อมีพยานเยอะแยะเลยว่าถ้าศึกษาปฏิบัติธรรมแล้วจะมีความสุขมีความสุขมากที่สุดเลยอย่างคนที่ได้ศึกษาได้ฟังธรรมกับหลวงพ่อนะสักพักเดียวไม่นานหรอกนะ บางคนฟังครั้งเดียวสองครั้งบางคนงปฏิบัติตามดูจิตดูใจสักเดือนหนึ่งบางคนแค่ฟังซีดีนะั้นแล้วก็คอยสังเกตจิตใ จ, ใจใตัวเองไปเรื่อยเขามาบอกหลวงพ่อเรื่อยเลยว่าจิตใจของเขาเปลี่ยนไป <c oughs> เคยมีความทุกข์มากก็ทุกน้อยนะ <c oughs> เคยทุกนานนานก็ทุกสั้นสั้นเนี่ยหลวงพ่อมีพยานเยอะนะว่าปฏิบัติทำแล้วมันพ้นทุกข์จริง ไม่ใช่ว่าหลับหูหลับตาทําไปเถอะทุรนทุรายลําบากไปสารพัดนะวหวังว่าชาติหน้ามันจะสบายกว่านี้ตายแล้วมันจะดีกว่านี้ศา ส, สนาพุทธไม่ได้อนาถาถึงขนาดที่ว่าต้องตายก่อนแล้วถึงจะดีเราสามารถดีได้ในปัจจุบันสามารถมีความสุขได้ในปัจจุบันนะพิสูจน์ได้ด้วยตัวเองเลยเห็นไหมถ้าหากบอกว่าเอาทําดีไปนะสร้างคุณงามความดีสารพัดไปเดี๋ยวชาติหน้าจะดี พิสูจน์ยากใช่ไหมพิสูจน์ยากแต่ธรรมะของพระพุทธเจ้านะผู้ปฏิบัติสามารถเห็นได้ด้วยตัวเองในชีวิตนี้แหละเห็นในปัจจุบันนี้แหละบางคนศึกษาธรรมะเพียงเดือนสองเดือนนะก็เปลี่ยนตัวเองเปลี่ยนแปลงที่วัดหลวงพ่อเนี่ยมีมารายงานเยอะแยะเลยชีวิตจิตใจนี้เปลี่ยนตัวเองรู้สึกได้คนในบ้านรู้สึกได้มีผู้หญิงคนหนึ่งนะมาเรียนสองสามครั้งมั้ง เสร็จแล้วก็วันหนึ่งพาพี่สาวมาด้วยพี่สาวตามมาแล้วไปเล่าให้แม่ฉีนุชฟังพี่สาวก็บอกเลยเนี่ยคนเนี้ยเหรอเมื่อก่อนร้ายเห็นแก่ตัวไม่ดีอย่างง้นไม่ดีอย่างนี้นะเหมือนบรรยายต่อหน้าเลยนะไม่ดีอย่างง้นอย่างนี้เดี๋ยวนี้ดีขึ้นก็เลยต้องมาฟังทำบ้างนะเพราะว่ามันเปลี่ยนจริงๆเปลี่ยนคนได้นะธรรมะของพระพุทธเจ้านะเปลี่ยนคนได้ แล้วคนที่จะเปลี่ยนได้คือคนซึ่งลงมือศึกษาปฏิบัตินี่แหละเปลี่ยนจริงๆพวกศาสนาอื่นนะสมัยพุทธกาลนะถึงก็เตือนกันบอกว่าอย่ามาฟังธรรมของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ามีมนเปลี่ยนใจถ้ามาพบพระพุทธเจ้าแล้วเปลี่ยนใจเลิกนับถือศาสนาเก่าๆนะทำไมล่ะเพราะว่าศาสนาพวกนี้สมบูรณ์ด้วยเหตุด้วยผลพิสูจน์ได้ด้วยตัวของเราเอง เส้นทางที่จะพิสูจน์ก็ไม่ได้ยากลําบากเกินไปแค่มีสติขึ้นมาแล้วรู้สึกกายรู้สึกใจไปกายเป็นยังไงก็รู้ว่าเป็นอย่างนั้นจิตเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นตามรู้ตามดูอย่างนี้เรื่อยๆนะรู้สึกตัวไปแล้วค่อยรู้ไปเรื่อยๆชีวิตจิตใจจะเปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนอย่างรวดเร็ว ด, ด้วยหลวงพ่อเองนะแล้วก็หมู่เพื่อนนักปฏิบัติจํานวนมากเลยเมื่อก่อนชอบทําสมาธิหลวงพ่อก็ทําสมาธิมามาก ใช้เวลาทำสมถะอยู่ยี่สองปีที่หลงพ่อฝึกนะเราก็ได้แต่ของเล่นนะของจริงไม่ได้วันนี้สงบนะอีกพอรุ่งเช้าไปเรียนหนังสือไปทํางานแล้วมันก็เริ่มฟุ้งขึ้นมาอีกตกค่ําก็มานั่งสมาธิสงบอีกอีกวันหนึ่งก็ฟุ้งอีกละทุกวันก็วนเวียนอยู่แค่นี้สงบแล้วก็ฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านแล้วก็สงบสงบแล้วก็ฟุ้งซ่านหลายปีนะชีวิตก็วนเวียนอย่างนีนะ้มันเหมือนเป็นวงจร วงจรอุบาทไปไหนไม่รอดนะวนเวียนอยู่กับกองทุกข์อยู่อย่างยิ่งจนกระทั่งปีสองห้านะไปเจอหลวงปู่ดุลหลวงปู่ดุลสอนให้ดูจิตตัวเองตั้งแต่นั้นมาหลวงพ่อก็ค่อยรู้จิตตัวเองเรื่อยๆจิตใจจะขยับขยืขย่นเคลื่อนไหวค่อยรู้ค่อยดูของเราไปเรื่อยๆมันเห็นความเปลี่ยนแปลงในตัวเองนะอย่างรวดเร็วเลยอะไรเกิดขึ้นเนี่ยเราไม่สงสัยเลยนะ ไปหาครูบาอาจารย์เนี่ยไม่ใช่เพื่อให้ท่านไยากร่ออะไรให้นะเรารู้ว่ากิเลสของเราหายไปเท่าไหร่เหลือเท่าไหร่เลยเนี่ยมันรู้ด้วยตัวเองทั้งสิ้นชีวิตจิตใจเราเปลี่ยนเราพบว่าชีวิตของเราเนี่ยพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นดีขึ้นไม่ใช่วนเวียนอยู่กับความสงบแล้วก็ฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านแล้วก็สงบเป็นกุศลแล้วก็อกุศลวนเวียนอยู่อย่างนั้นนะหลายปีหลาย หลายเดือนหลายปีจะพูดว่าหลายชาติก็ลําบากนะหาพยานไม่ได้ตรงนี้เลยพูดไม่ได้แต่ตอนนี้ปัจจุบันชาตินี้แหละพยานเราเยอะพอหัดมาเจริญสติเราเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนอย่างรวดเร็วด้วยธรรมะที่แท้จริงของพระพุทธเจ้านะเป็นธรรมะที่ไม่เนิ่นช้านะพิสูจน์ได้เห็นได้ด้วยตัวเองตัวเองรู้สึกคนรับข้างรู้สึกชีวิตจิตใจจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น กันเป็นบุญนะที่พวกเราได้มาเจอศาสนาพุทธแท้ๆออขอประกาศด่วนเลยนะครับท่านเจ้าของรถทะเบียนกอไก่บอใบไม้ .375. นนทบุรีนะครับผ่ เ, ออเดินท่านจอดขวางหน้าบ้านเขาอยู่นะครับรบกวนช่วยช่วยขยับหน่อยเพราะว่าเขาต้องขนสายเข้าเพราะเขาก่อสร้างอยู่นะครับส่งขนสายเข้าบ้านนะครับกอไก่บอใบไม้สามนนทบุรีขออภัยครับ อของใครนะไปช่วยกันดูพวกเราระวังนิดนะเรามาอาศัยพื้นที่เขาเราไม่ใช่คนในหมู่บ้านคนในหมู่บ้านเขาใจดีให้เรายืมสถานที่ใชนะ้แต่เดิมเขาใช้ทำบุญกันเล็กๆน้อยๆหรอกคนไม่ได้เยอะขนาด น, นี้นี่เราอาศัยที่เขาอย่าทำเขาเดือดร้อนนะรู้สึกไหมจิตใจมีความสุขมีความสุขรู้นะรู้ลงไปถ้ามีความทุกข์เกิดขึ้นจะทำยังไง รู้ไหมตอบได้แล้วนี่ตอบได้ทางทฤษฎีแล้วนะถ้าวันใดเรามีความทุกข์แล้วเรารู้ทันนะเราเห็นความทุกข์มันอยู่ห่างๆนะจิตใจอยู่ต่างหากนะความทุกข์แยกออกไปอยู่ต่างหากยิ่งเราปฏิบัตินะเราจะเห็นว่าขันห้าเนี้ยกระจายตัวไปแยกตัวออกไปจิตใจของเรากับขันห้าเนียแยกออกจากกันขันห้าเป็นตัวทุกยังไงขันห้าก็ต้องทุกจะทาให้ขันห้าเป็นสุคนีเป็นไปไม่ได้ ขันห้าของพระอรหันต์ก็เป็นทุกข์แต่ว่าจิตใจทึ่งฝึกดีแล้วนี่มันแยกตัวออกจากขันห้ามันพลากออกจากขันห้าไม่สัมผัสกันฉะนั้นไม่มีอะไรเข้ามาปรุงแต่งจิตใจได้ความทุกข์ก็เข้ามาไม่ถึงใจใจกว้างกวางนะใจของเรารู้สึกไหมใจเราแคบใจเราแคบแคบอยู่ในที่แคบแคบใจเรามีจุดมีดวงมีที่ตั้งนะตั้งไว้ตรงนี้มั่งตั้งไว้ตรงนี้มั่งตรงนี้มั่งตรงนะี้มั่งเลย มีที่อยู่ที่แคบเรียกว่าคนใจแคบนะเราค่อยฝึกนะฝึกมันว่าทั้งมันเห็นความจริงเห็นทุกขนะ์เห็นกายเป็นทุกข์เห็นใจเป็นทุกข์ม่ค่อยๆหมดความยึดถือกายหมดความยึดถือใจนะใจกว้างขวางใจกว้างขวางใจเบิกบานใจเต็มโลกธาตุนะจิตใจเนี่ยกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับธรรมะนะไม่ใช่กลืนไปกับธรรมชาติเนทะ่านะั้นนะกลืนเปกับธรรมะ ธรรมชาติมันเป็นธรรมะที่เกิดดับธรรมชาติชาติแปลว่าความเกิดธรรมะเนี่ยมันมีทั้งส่วนที่เกิดและส่วนที่ไม่เกิดะงั้นถ้าใจเราภาวนาให้เต็มที่นะมันกลืนเข้ากับธรรมะเลยครอบคลุมโลกาธาตุทั้งหมดนะมีความสุขมันไม่มีอะไรเข้ามากระทบกระทั่งนะมันอยู่ด้วยกั น, นแต่มันไม่กระทบกันละมีความสุขที่สุดเลยค่อยๆฝึกเอานะไม่ได้โฆษณาชวนเชื่อนะแต่เป็นเรื่องจริงนะ ใครยังไม่เชื่อหลวงพ่อท้าให้พิสูจน์ไม่ชวนให้เชื่อแต่ขอท้าให้พิสูจน์ถ้าแน่จริงก็ลองมาปฏิบัติ ด, ดูธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมะที่ท้าให้พิสูจน์ชวนให้พิสูจน์ท่านบอกเอหิปัสิโกพึงกล่าวกับผู้อื่นว่ามาลองดูเถอะวิธีลองก็โอปันยะโกน้อมเข้ามาหาตัวเองน้อมเข้ามาแล้วก็ถ้าน้อมเข้ามานะก็จะรู้ด้วยตัวเองปัจจตัางเวทีทุตโฟบินอยู่หิมพ้นทุกเอง มันทุกข์แเห็นเห็นเองเลยแล้วก็บางคนก็เอาไปล่าบลือนะหลวงพ่อแทบจะเป็นพระเกจิอาจารย์ได้แล้วท่านเนี่ยบอกมีรูปหลวงพ่อลถคว่ำลถหงายไม่ตายอะไรเงี้ยไม่เป็นอะไรคว่ำกันเยอะเหลือเกินแล้วก็ไม่เป็นอะไรนะไม่ได้ปฏิหารนะเดี๋ยวพวกเราหัดเจริญสติไว้เวลาฉุกเฉินขึ้นมาเรามีสติสตินั่นแหละรักษาตัวพวกเราไม่ใช่หลวงพ่อไปรักษาให้นะอใครก็รักษาใครไม่ได้หรอกต้องช่วยตัวเอง การฝึกสตินะมีประโยชน์สารพัดเลยบางคนเจ็บไข้ได้ป่วยนะทุกทรมานมากเห็นร่างกายมันนอนอยู่ใจมันแยกออกมาตหาหักนะเป็นคนดูร่างกายมันป่วยใจไม่ได้ป่วยด้วยมีแต่ความทุกข์ทางร่างกายไม่มีความทุกข์ทางใจนี่ฝึกไปความทุกข์หายไปได้ตั้งเยอะแล้วความทุกข์ส่วนใหญ่อยู่ที่ใจนะความทุกข์ทางกายมันก็มีอยู่หรอกแต่ว่ามันเจือด้วยความทุกข์ทาง ทางใจนี่เยอะมากเลยยกตัวอย่างง่ายๆอย่างผู้หญิงมีรอบเดือนปวดท้องเนี่ยถ้ามีสตินะเราจะพบว่ามันหายไปไม่ค่อยปวดหรอกหรือปวดก็ปวดนิดๆหน่อยๆได้นะเพราะว่าอาการปวดที่รู้สึกเยอะๆเนี่ยเกิดจากการสำออยใจมันจะสำออยนะถ้าเรามีสติรู้จริงๆนะไม่เป็นเท่าไหร่หรอกนะยกเว้นบางคนหรอกที่ว่าผิดปกติจริงๆเจ็บปวดมากเนี่ยฝึกๆนะ มันได้ประโยชน์ทั้งการดำรงชีวิตนะในเรื่องร่างกายของเราในเรื่องการจะใช้ชีวิตอยู่ในครอบครัวในที่ทํางานในนี้มีประโยชน์ทั้งนั้นประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเลยก็คือเราพ้นทุกข์ได้ทําไมเราจะต้องมีชีวิตที่จมอยู่กับความทุกข์เนหะมือนคนอมโรคทําไมต้องเป็นอย่างนั้นเราสามารถมีชีวิตที่มีความสุขได้งนะนะั้นเราฝึกนะฝึกค่อยๆรู้สึกขั้นแรกเลยขั้นเบื้องต้นเลยนะรู้สึกตัวให้เป็นซะก่อน อยากรู้สึกตัวให้เป็นก็ต้องรู้ก่อนว่ารู้สึกตัวที่ไม่เป็นน่ะเป็นยังไงนะเรียนที่สิ่งที่ผิดซะเมื่อไรไม่ผิดเมื่อนั้นจะถูกเองหลายคนพยายามจะทำความรู้สึกตัวนะเช่นหายใจก็ไปกำหนดลมหายใจกลัวว่าจะเผลอไปให้มันรู้ลมหายใจตลอดเวลาไปดูท้องพองยุบนั้นก็เอาสติกาหนดอยู่ที่ท้องจะไม่ให้ลืมตัวเลยนะกดว่าจะให้สติเกิดตลอดเวลานะหรือเดินจงกรมยกทา้าย่งางเท้าเพ่ ง, ง้อย้นะไม่ให้เคลื่อนเลย กว่าจะมีสติตลอดเวลานั้นเป็นสมถะหรอกนะเพง่งถ้าเราหัดรู้สึกตัวสิเราจะเห็นเลยเดี๋ยวก็เผลอไปเดี๋ยวก็ไปเพง่งนะเดี๋ยวก็รู้สึกตัวขึ้นแว บ, บหนึ่งนะเผลอไปแล้วพอรู้ทันว่าเผลอก็รู้สึกตัวได้แว บ, บหนึ่งถัดจากนั้นอาจจะเผลอใหม่นะอาจจะรู้สึกตัวอีกหรืออาจจะเพ่งก็ได้เราเลือกไม่ได้หรอกนะแล้วค่อยฝึกไปอย่างเงี้ยนะฝึกหัดดูสภาวะไปเรื่อยสภาวะที่ใจหลงไปคิด สภาวะที่ใจไปเพ่งสภาวะที่ใจรู้สึกตัวหัดรู้สึกอย่างนี้หัดรู้สภาวะไปเด้ยนะสติมันเกิดเองพอสติมันเกิดเองแล้วก็สังเกตต่อใจเราขณะนั้นตั้งมั่นหรือว่าไม่ตั้งมั่นบางทีมีสติขึ้นมาแล้วใจไม่ตั้งมั่นนะใจไหลไปยกตัวอย่างที่พวกเราบางคนทำอนาปานาสติพอเรามีสติขึ้นมาเอาสติไปจ่อไว้กับลมจิตไหลไปอยู่ที่ลม อันนั้นไม่เรียกว่าจิตตั้งมั่นแต่เป็นจิตมันเข้าไปตั้งแช่อยู่ในอารมณ์ถ้าจิตตั้งมั่นมันจะแยกออกมาจะเห็นร่างกายหายใจไปจิตอยู่ต่างหากนะหรือเดินจงกรมหรือดูท้องฟองยุบหรือจะขยับไม้ขยับมืออย่างหลวงพ่อเทียนเนี่ยมันจะเห็นกายอยู่ห่างๆจะเห็นเวทนาความรู้สึกสุขทุกข์อยู่ห่างๆจะเห็นสังขารที่เป็นกุศลและอกุศลเช่นความโลภความโกรธความหลงความสงสัยความหดหู่ความฟุ้ฟงซ่านทั้งหลายเนะี่ยอยู่ห่างๆนะไม่ใช่จิตหรอกไม่ใช่ตัวเราหรอก เนี่ัดรู้สึกตัวนะแล้วเราก็เห็นพอเรารู้สึกตัวเรารู้ทันว่ามีอะไรเกิดขึ้นในกายในใจรู้สึกขึ้นมาเรียกว่ามีสติพอมีสติขึ้นมาแล้วเนี่ยใจตั้งมั่ น, นต้องใจตั้งมั่นอย่าให้ใจไหลไปใจตั้งมั่นเป็นแค่คนดูนครูบาอาจารย์วัดป่าท่านเรียกว่ามีผู้รู้ผู้ดูขึ้นมาแต่บางคนก็มีผู้รู้ทรงอยู่นานๆสําหรับคนที่เล่นชานคนที่ไม่ได้เล่นชานตัวรู้จะอยู่ที่เราแว บ, บเดียว นะเป็นคณิกาสมาธิแวบเดียวแวบเดียวแล้วก็ดับแล้วก็ได้อีกแวบหนึ่งกล้ก็ดับอีกนะอยังไงก็ไม่ต้องตกใจก็มีอะไรก็เอานั้นแหละนะขอเพียงแต่ว่าให้มีความรู้สึกตัวอะไรเกิดขึ้นในกายเราก็รู้สึกอะไรเกิดขึ้นในจิตก็รู้สึกนะแล้วก็มีใจที่ตั้งมั่นขึ้นมาถ้าใจตั้งมั่นเราจะเห็นเลยร่างกายที่เรารู้สึกอยู่นั้นมันอยู่ห่างๆเวทนาที่เรารู้สึกขึ้นมานั้นอยู่ห่างๆสังขารที่เป็นกุศลอกุศลที่รู้สึกขึ้นมานั้นมันอยู่ห่างๆ เช่นเห็นความโกรธนะเกิดขึ้นเหมือนคนเดินผ่านหน้าบ้านนะไม่ใช่เราโกรธความโกรธไม่ใช่เราโกรธความโกรธเป็นสภาวะธรรมที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเห็นไหมเราเห็นตัวสภาวะแล้ว เ, เห็นว่าตัวสภาวะแต่ละตัวนะั้นเป็นไตรลักษณ์ไม่ใช่ตัวเราเป็นของไม่เที่ยงนะคือมันมาแล้วมันก็ไปมาแล้วก็ไปเป็นของซึ่งทนอยู่ในสภาวะอันใดนหนึ่งนานๆไม่ได้มันถูกบีบคั้นตลอดเวลานี่เรียกว่าเห็นทุกขนะ์เนี่ย แล้วมันบังคับไม่ได้เดี๋ยวมันก็มาเดี๋ยวมันก็ไปสั่งไม่ได้เลือกไม่ได้บังคับไม่ได้เนี่ยการที่เรามีสติขึ้นมานะแล้วมีใจตั้งมั่นขึ้นมาไม่ไหลาตามอารมณ์ไปเราจะเกิดปัญญาเห็นว่าสภาวะธรรมทั้งหลายนั้นมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันไม่ใช่ตัวเราเห็นซ้ําแล้วซ้ําอีกอย่างนี้นะถึงวันหนึ่งปัญญามันก็แจ้งขึ้นมานะว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเราเพราะสิ่งที่เรียกว่าตัวเราจริงๆก็คือสภาวะธรรมทั้งหลายทั้งรูปธรรมทั้งนามธรรมนั่นเอง แยกสิ่งที่เรียกว่าตัวเราออกมาเป็นรูปธปรรมเป็นนามธรรมรูปธรรมนามธรรมทั้งหลายทั้งปวงก็เป็นแค่สภาวะเท่านั้นเองไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขานี่ดูอย่างนี้นะแล้วก็จะพ้นทุกข์บางคนจะเล่นทางรัดไม่ยอมรู้กายรู้ใจจะไปรู้ความว่างอย่างนี้เยอะนะั้นหลังๆชักจะเพี้ยนพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนให้ดูอย่างนั้นท่านให้รู้กายให้รู้ใจท่านไม่ได้ให้รู้ความว่างบางคนภาวนาแล้วไปจับที่ความว่างๆไว้ ถ้าภาวนาแล้วเอาสติไปจับที่ความว่างๆไม่มีอะไรนะั้นมันคือการทําสมถกรรมฐานชนิดหนึ่งชื่อว่าอากาศสานัญจยตนะหรือจับที่ความไม่มีอะไรเลยนะั้นเรียกว่าอากินจัญญ ย, ยตนะอันนั้นไม่เอานะไม่ใช่ทางทางมีแต่ต้องรู้ทุกข์คือรู้กายรู้ใจรู้สึกกายรู้สึกใจบ่อยๆนะที่เหลือมันเป็นเองเนี่ยพวกเราเวลาฟังหลวงพ่อพูดนะฟังแล้วเหมือนยากนะ แต่เวลาฟังเพื่อนๆส่งกันบ้านแล้วจะรู้ว่าแปลกดีหลวงพ่อสอนไปอย่างหนึ่งใช่ไหมเวลามาส่งกันบ้านมาพูดอีกเรื่องหนึ่งรู้สึกไหมเดี๋ยวคอยฟังให้ดีนะหลวงพ่อพูดเรื่องมีสติรู้ตัวรู้กายรู้ใจแต่เวลาส่งกันบ้านจะเป็นอีกอย่างหนึ่งจิตมันไหววับแวบๆบวมันขยับขยับนะร่างกายมันเป็นอย่างง้นกายมันเป็นอย่างนี้จิตอย่างนี้เวทนาเป็นอย่าง ง, านง้นี้นะทั้งทั้งที่หลวงพ่อไม่ได้สอนใช่ไหมแต่ทาําไมแล้วเราเห็นสภาวะ หลวงพ่อสอนหลักให้เราไปลงมือปฏิบัตินะแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนถนัดรู้กายบางคนถนัดรู้เวทนาบางคนถนัดรู้จิตรู้ไม่เหมือนกันนะเวลามาส่งกันบ้านก็เลยหลากหลายนะสิ่งที่หลวงพ่อบอกให้เหมือนแผนที่ <Yes. S 1> เวลาพวกเราลงมือปฏิบัตินะเราไปเจอรายละเอียดในระหว่างทางเยอะแยะไปหมดเลยสนุกมากบางคนก็เอาแต่ฟังนะสนุกจนลืมปฏิบัติก็มีนะ <c oughs> หรือบางคนก็น้อยใจบางคนก็อิจฉาเพื่อนพวกอิจฉาเยอะมากนะวันวันหนึ่งเนะี่ยเท่าที่สังเกตเห็นเขาส่งกันบ้านแล้วทำไมเราไม่เห็นอย่างเขาบ้างเลยอิจฉาเป็นนะใครใครไม่ใครเคยเป็นไหมฟังเพื่อนแล้วอิจฉาถ้าไม่เป็นก็แปลกนะ <c oughs> ความจริงไม่แปลกทำไมเราไม่เห็นสภาวะเหมือนของเขาเพราะว่าทางใครทางมัน การไปสู่มากคว น, นิพพานนะเหมือนการขึ้นภูเขาคล้ายๆการขึ้นภูเขาขึ้นได้รอบทิศทางคนที่เดินมาคนละทางก็เห็นสภาวะที่ต่างๆกันมาแต่ทุกๆสภาวะแสดงใจรักเหมือนๆกันหมดเลยนั่นหลวงพ่อสอนให้รู้สภาวะใช่ไหมให้เห็นใจรักแต่พอเราจะไปเห็นสภาวะจริงๆเนะี่ยแต่ละคนจะไปเห็นด้วยกระบวนการของตัวเองนะมีชั้นเชิงเฉพาะตัวเรียนแบบกันไม่ได้นะห้ามเรียนแบบกัน อย่างคนนี้ส่งกันบ้านนะว่าเห็นจิตมันไหวไวๆแล้วมันก็ถอดขึ้นมาแล้วมันก็หลบไปอยู่ตรงนั้นแล้วมันดับลงไปตรงนี้หลวงพ่อเอยเก่งๆเหมืเราจะไปอยากเห็นอย่างเขานะัาา้นเราก็เป๋เลยเราไม่ต้องสนใจว่าใครก็เป็นยังไงเราดูของเรานะให้อยู่ในหลักการเกณฑ์แล้วมันไปของเราได้ด้วยตัวของเราเองสุดท้ายเราจะเข้าไปถึงความบริสุทธิ์อย่างเดียวกันเหมือนคนขึ้นภูเขานะขึ้นมาทางไหนก็ได้นะ แต่ต้องอยู่ในหลักที่พระพุทธเจ้าสอนนะไม่ใช่ขึ้นทางไหนก็ได้นอนในชั้นจะนิพพานด้วยการกินกินนอนๆอนนะอย่างนั้นหมามันก็ทําเป็นหมามันก็ไม่นิพพานนะต้องอยู่ในหลักที่พระพุทธเจ้าสอนนะมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงลงปัจจุบันไปอยู่ในหลักอันนี้แล้วก็จะรู้อะไรก็ได้นะในกายในจิตเนี่ยแล้ววันหนึ่งก็เข้าไปสู่ความบริสุทธิ์หลุดพ้นอย่างเดียวกันเหมือนขึ้นยอดเขาลูกเดียวกันเนี่ยนะขึ้นมาอยู่ที่เดียวกันนะ เข้าถึงกันสภาวะธรรมอย่างเดียวกันอย่างพระพุทธเจ้าหรือพระอรหันตาสาวกทั้งหลายก็เข้าถึงความบริสุทธิ์อันเดียวกันเหมือนกันเปรียบเลยแต่ความรู้ความเข้าใจความแตกฉานระหว่างทางนี้ไม่เหมือนกันเพราะพระสาวกนี่นะขึ้นทางไหนก็ลุยลุยลยของตัวองขึ้นไปทางนั้นเลยพระพุทธเจ้านะท่านบนรอบภูเขาเลยใช้เวลานานวนวนว น, น, นค้นมันทุกทิศทุกทางนะกว่าจะแจม่มแจ้งขึ้นมาใช้เวลานา น, านงั้น ภูมิความรู้ของภาษาวกไม่ได้อย่างพระพุทธเจ้าหรอกแต่ว่าพ้นทุกได้เอาแค่พ้นทุกได้ก็พอแล้วนะทุกวันนี้ก็ทุกเยอะมีใครเห็นทุกบ้างปฏิบัติแล้วเห็นทุกมากขึ้นไหม เ, ออเมื่อกี้ตอนหลวงพ่อเริ่มเทศรู้สึกไหมหลวงพ่อถามว่าเป็นไงปฏิบัติแล้วมีความสุขมากไหอก็เออมีความสุขกันทั้งห้องเลยปฏิบัติแล้วเห็นทุกไหมก็เห็นกันเยอะเลย รวมความไม่รู้มันทุกข์หรือมันสุขถามอะไรก็ใช่ทั้งนั้นเห็นไหมถ้าคนไม่ได้ปฏิบัตินะมาฟังเราคุยกันคงรู้สึกเหมือนคนบ้าคุยกัน <c oughs> มันอย่างไรแน่มันสุขหรือมันทุกข์แน่นยเราถามด้วยสิสอ ง, งานนะันกับข้างกันนะใช่ทั้งคู่อีกแปลกเวลาฟังธรรมะนะเวลาคนไปฟังธรรมะจากพระพุทธเจ้าถึงรู้สึกว่าท่านสอนเฉพาะตัวจริงท่านสอนหลักห้ หลักนี้ใช้ได้กับทุกคนอยู่แล้วแต่ละคนก็ลองมือทําไปเจอปัญหาเจอรายละเอียดติ๊กย่อยอะไรก็ค่อยศึกษากันเป็นรายๆไปวันนี้หลวงพ่ อ, อยังมีแรงอยู่นะช่วงนี้พวกเรารีบรีบเรียนนะแต่ไปหลวงพ่อแก่กว่า น, นี้หลวงพ่อตรวจกันบ้านให้ไม่ไหวหรอกหลวงพ่อก็ต้องพูดแบบที่ครูบาอาจารย์ท่านพูดล้วพ่อหน้าไปเถอะเดี๋ยววันหนึ่งก็รู้เองแหละ <c oughs> ก่อนที่ท่านจะพูดเงี้ยท่านสู้ตายมันมากแล้วสอนมามากแล้วจนท่านหมดแรงและ เพ้พวกเรายัางมีโอกาสที่จะส่งกันบ้านนะรีบทํากันบ้านก่อนคอยรู้สึกกายคอยรู้สึกใจให้มากๆนะรู้สึกไปแล้วมีปัญหาข้อขัดข้องก็ถามหลวงพ่อไดนะ้ถ้าไม่มีโอกาสถามหลวงพ่อสิ่งที่จะช่วยเรามากนะคือโยนิโสมนัสิการมีสองอย่างนี้เท่านั้นแหลนะคือการยาณมิตรได้แก่ครูบาอาจารย์กับโยนิโสมนานัสิการความแยบคายในการสังเกตตัวเองไม่ใช่คิดฟุ้งซ่านนะ ต้องแยกไขในการสังเกตตัวเองว่าจิตของเราที่ภาวนาอยู่เนี่ยมันมีสติจริงหรือไม่จริงมันมีสัมมาสมาธิหรือมันมีมิจฉาสมาธิมันมีปัญญาซึ่งเกิดจากการคิดการอ่านการฟังหรือเป็นปัญญาที่เกิดจากการประจักษก์ตัวสภาวะแล้วจิตที่ไปรู้ไปเห็นแล้วจิตไปสร้างสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมาจิตไปติดไปคล้องอยู่รู้ ร, รู้ทันไหมเนี่ยเราค่อยรู้สิ่งเหล่านี้ไปเนี่ยค่อยๆปลดตัวเองนะ หลุดออกไปหลุดออกไปคล้ายๆขอนไม้ลอยน้ําโดยธรรมชาตินะมันลอยไปในแม่น้ำำานําลาธารอะไรเงี้ยเดี๋ยวมันก็ติดทางโน้นติดทางนี้นะถ้ามันติดอยู่นานมันก็เน่าเปื่อยจมอยู่ตรงนั้นแหละถ้าเรารู้ทันว่ามันติดเหมือนเราพายเรือนะเรือหัวเรือไปติดฝั่งนี้เราก็ถอยออกมานิดนึงเข้าร่องน้ําแล้วไปต่อค่อยๆฝึกไปถ้าใจของเรามีส ม, มาทิฏฐินะเราจะโน้มน้อมไปสู่นิพพานโดยอัตโนมัติ เราก็คอยสังเกตว่าเราจะไปติดอะไรอยู่หรือเปล่าค่อยๆดูไปนะไม่ได้ยากหรอก <S <S เรียนกับหลวงพ่อใช้เวลาไม่นานหรอกก็จะเข้าใจธรรมะด้วยตัวของเราเองรู้เลยว่าพระพุทธเจ้าสอนแต่ของจริงๆขนาดหลวงพ่อประมวทสอนม้วนซั่วอย่างนี้นะยังมีเด็กมาบอกเลยว่าเด็กไปบอกพ่อพ่อเน่ยชอบเปิดซีดีพ่อแม่นะเปิดซีดีฟังเด็กเมื่วันหนึ่งเด็กก็บอกพ่อพ่อเผลอไปละ นะหรือแม่กําลังโกรธแล้วนะแน่อยากบน่นละเด็กมันชักรู้มากะพ่อแม่ก็ปลื้มนะลูกมันเก่งวันหนึ่งนะเด็กมันก็ฟังซีดีไปเรื่อยๆมันก็บอกพ่อพ่อพ่ อ, พอหลวงพ่อประโมทเนี่ยบอกสภาวะจริงๆทั้งนั้นเลยนะนะมันเห็นอย่างนั้นนะ่ะเห็นเห็นซื่อๆสิ่งที่หลวงพ่อบอกเนี่ยจริงๆทั้งนั้นนะไม่ได้หล อ, อกเลยสักนิดเดียว เพราะนพวกเราฝึกนะฝึกเราเดินตามร่องรอยที่พระพุทธเจ้าท่านทิ้งไว้ให้มีสติรู้กายรู้ใจลงปัจจุบันนะรู้อย่างเป็นกลางไปเรื่อยมันจะเห็นสิ่งที่หลวงพ่อบอกเนะี่ไม่ยากหรอกนะใจเรายังไม่ติดไม่คล้องนะค่อยๆหลุดหลุดหลดออกไปนะเอาพ น, นี้เทศแค่นี้พอนะรู้สึกหัวเรื่องกับท้ายเรื่องไม่ตรงกันหรอกเพราะมีเบรกตรงกลางเรื่องจอดรถเอาพี่แหม่มก็มากับเขาด้วย มีคนเป็นมะเร็งหลายคนหมอบอกจะตายจะตายนะหัดดูจิตดูใจป่านนี้ยังไม่ตายนี่เยอะเลยแล้วบางทีก็มีพวกมีปัญหาทางจิตใจไปหาหมอหมอโรคจิตนะให้กินยารักษาอย่งงางโน้นรักษาอย่างนี้ตั้งนานนต่ไม่หายนะสุดท้ายหมอให้ยาขนานใหม่เอาซีดีหลวงพ่อประโมทไปฟังไป <laughs> เออมันกินยาน้อยลงน้อยลงมันหายได้นะ ถ้ามันไม่เครียดไม่เครียดนะเราภาวนาอย่าไปเครียดนะเครียดเราผิดเครียดจิตที่เครียดเป็นอกุศลจิตนะจิตที่เป็นกุศลจะรู้ตื่นเบิกบานแต่ไม่ใช่เบิกบานแบบสู้ซาตามกิเลสนะมันอิ่มเอิบมันเบิกบานมันร่มเย็นเป็นสุขอยู่ภายในไม่เครียดหรอกนั้นภาวนาถูก่ะไม่บ้าหรอกแล้วบ้าบางประเภทถ้าภาวนาได้นะั้นก็หาย แต่บางประเภทไม่หายนะถ้าปประเภทที่เกิดจากร่างกายผิดปกติไม่หายอะ่ะพวกนี้พวกนี้เป็นกรรมแล้วช่วยไม่ได้แล้วแต่ใครญาติญาบ้าอย่าพามาหาหลวงพ่อนะ <c oughs> แก้คนบ้าคนหนึ่งนะี่ยากกว่าสอนคนดียี่สิบคนอีกอา้าวมีไหมวันนี้มีใครจะถามเปล่าไม่มีจะได้เลิกน า, ามสการค่ะ คือหนูหัดดูว่าเผลอแล้วรู้ไปอย่างเงี้ยค่ะบางครั้งก็มีคำบริกรรมแต่บางครั้งถ้าเรากายเคลื่อนไหวมันมันรู้โดยที่ไม่ต้องบริกรรมแต่ก็จะรู้สึกว่าเออยังทำงานมันจะเครียดมากแล้วพอพอกลับมาบ้านอย่างเงี้ยค่ะบางครั้งมันจะเหนื่อยแล้วแล้วเราก็เหมือนไม่ไม่ไ ม, ไม่ทำอะไรไม่ได้เลยอะค่ะก็รู้ไปนะของปัญหาของคุณนะ ตอนเนี้ปัญหาใหญ่ๆเลยก็คือใจมันไม่ตั้งมั่นพอจิตใจมันกระจัดกระจายไปรู้สึกไหมมันโปร่งโปรงโล่งๆนะมันโล่งๆกว้างๆสบายๆแต่มันไม่ย้อนมาหากายหาใจมันเพลินไปนะให้คอยรู้ตัวเนี้ยย้อนมาดูกายดูใจบ่อยๆนะหลวงพ่อตอบตรงคําถามหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ตรงกับอาการเหมือนกับว่าให้เช็คว่าตอนนี้มัน สังเกตไหมขณะนี้กตะกิก็ไม่เหมือนกันแล้วตรงนี้เริ่มกดแล้วเริ่มบังคับตัวเองแล้วขมใจลงไปกดลงไปให้มันนิ่งๆแล้วรู้สึกไหมตอนทีแรกไม่ได้กดมันกระจายกระจายกว้าง ๆ, ๆ, ๆตรงที่มันกระจายกระจายกว้างๆนะคุณอย่าไปดึงมาอย่าไปกดไว้กดไว้ผิดนะให้รู้ว่ามันกระจายเท่านะรู้ว่ามันเข้ามาไม่ถึงฐานนะรู้ว่ามันรู้ตัวไม่เต็มที่รู้ว่ามันไม่ยอมมารู้กายรู้ใจนะมีหลายสำนวนนะต้องพูดหลายๆเวอร์ชั่นเลย เพราะพูดภาษาต่างกันแล้วเริ่มเถียงกันว่ามันคืออันเดียวกันหรือเปล่าใจลอยไปแล้วทราบไหมกดอยู่ทราบไม้มตอนนี้รู้สึกไหมมันมีตัวหนึ่งนิ่งมีความนิ่งอยู่ส่วนหนึ่งนั่นแหละตัวนั้นอนะเรากดเอาไว้นะต้องปล่อยทำไมต้องปล่อยกดไว้ไม่ได้ถ้ากดไว้กายก็นิ่งใจก็นิ่งถ้ากายนิ่งใจนิ่งมันไม่สแสดงไตรลักษณ์ใช่ไหมนะ ต้องปล่อยมันให้มันทํางานแล้วตามดูมันไปเพื่อจะได้เห็นว่ากายก็แสดงไตรลักษณ์จิตใจก็แสดงไตรลักษณ์ถ้าไม่เห็นกายเห็นใจแสดงไตรลักษณ์ไม่ใช่วิปัสสนานะรู้กายรู้ใจไม่ใช่วิปัสสนานะตั้งหลักให้ดีบางคนเข้าใจผิดว่าถ้ารู้กายรู้ใจต้องเป็นวิปัสสนาเสมอไปไม่เสมอหรอกต้องเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของกายของใจเนี่ยใจหนีมานี่แล้วรู้สึกไหมใจมันหนีไปรู้สึกยังมันลืมกายลืมใจต้องรู้สึกอย่างนี้เนี่ยทำมาพยักหน้าก็ลืมเหมือนกันแหะ นะเข้าใจยังดูออกไหมอย่าไปกดไว้ให้แข็งแข็งข้างในนะทุกตัวต้องเคลื่อนที่ได้ไม่ใช่ทุกตัวเคลื่อนที่แล้วเหลือตัวหนึ่งนิ่งอยู่ถ้าทุกตัวเคลื่อนที่เหลือตัวหนึ่งนิ่งอยู่นี่คยังประคองอยู่นะมีคนไปพิวัตรนะบอกหลวงพ่อมาเทศที่สาราลูชินจืดจดไม่เหมือนเทศที่วัดดูเดือดวาเยอะเลย บอกมาต่างถิ่นน้าดูเดือด น, นะเดี๋ยวรองเท้าลอยมา <c oughs> บางคนมาขอนะบอกขอให้เอาหนักหนักหน่อยใครละ่ะไหนอยู่ไหนอยู่ไหนอกลาบนมัสกา ร, าการหลวงพ่อค่ะจิตขณะนี้เป็นไงตื่นเต้นเดือดมาถามหลวงพ่อหลวงพ่อถามเองค่ะคือหนูเพิ่งมาเริ่มดูจริงๆประมาณเดือนสองเดือนหลังนะค่ะแล้วตอนตอนที่รู้สึกว่า มืนได้ดูมากที่สุดก็คือตอนที่ฟังทำตอนที่ฟังเทปหลวงพ่อค่ะแล้วก็เข้าใจว่าตอนแรกนึกว่าจะทําง่ายแล้วพอออกจากเทปไปมันก็จะไม่ไม่ได้คือจุดสําคัญนะพวกเราจะหัดภาวนาเนี่ยสิ่งแรกที่ต้องทําให้ได้คือหัดรู้จักสภาวะให้ได้งานของเราจริงๆคืองานหัดรู้จักสภาวะแล้วต่อไปนะสภาวะจะแสดงไตรลักษณ์เอง เรตั้งหลักให้ดีเราจะหัดรู้สภาวะสภาวะเช่นอะไรเช่นใจความโลภความโกรธความหลงความสุขความทุกข์เหล่านี้เป็นสภาวะธรรมงั้นต่อไปนี้นั่นจิตใจมีความสุขเราก็รู้จิตใจเป็นทุกข์ก็รู้จิตใจเฉยเฉยก็รู้จิตใจฟุ้งซ่านหดหูสงสัยโลภโกรธหลงอะไรขึ้นมาคอยรู้ไปเรื่อยๆหัดรู้สภาวะมากๆนะสติจะเกิดเองแล้วตอนนี้สภาวะจิตหนูเป็นยังไงบ้างตอนนี้เหรอบอกหลวงพ่อได้ไหมเป็นยังไง ทื่อๆรู้รู้สึกไหมทื่อๆไปข่มไวยตื่นเต้น<อ>ตื่นเต้นแล้วก็กดเอาไว้นะแล้วก็ฟุ้งซ่านหน่อยๆรู้สึกไหมใจวิ่งยุกยิยุกยยุกย ด, ดูออกปล่าเนี่ยหลงไปอีกแล้วเห็นไหมไหลสงสัยทราบไหมเอออ๋อแล้วเ <c oughs> <c oughs> นี่ยหัดรู้สภาวะทาไมหลวงพ่อพาให้ดูอย่างนี้หลวงพ่อพาให้ดูสภาวะนะ <c oughs> ถ้าเมื่อใดดูสภาวะได้แล้วเราปฏิบัติได้ด้วยตนเองเมื่อนั้นเลย งั้นสิ่งที่หลวงพ่อสอนเนี่ยหลวงพ่อจะไม่ใช่ว่าขยักความรู้อะไรไว้นะหลวงพ่อสอนเพื่อให้พวกเราเนี่ยพึ่งตัวเองได้ชาวพุทธที่ดีต้องพึ่งตัวเองได้นะเรียนธรรมะไปในวันหนึ่งต้องพึ่งตัวเองให้ได้ไม่ใช่ว่าจะต้องพึ่งหลวงพ่อตลอดไปต้องมาคอยถามหลวงพ่อว่าจะทําอย่างงน้นทําอย่างนี้ถ้าเราเห็นสภาวะไปเรื่อยๆแล้วสภาวะแล้สอนเองสภาวะจะแสดงไตรลักษณ์อย่างเมื่อกี้ยดูออกไหมจิตเดี๋ยวก็หนีไปเดี๋ยวก็รู้สึกเดี๋ยวก็หนีไปก็รู้สึกนิ่ห์รู้สึกอย่างนี้แหละ ไม่ได้ฝึกเพื่อจะรู้สึกตัวตลอดเวลาแต่ฝึกเพื่อให้เห็นความจริงว่าเดี๋ยวจิตก็เผลอเดี๋ยวจิตก็รู้เดี๋ยวจิตก็เผลอเดี๋ยวจิตก็รู้บางคนเดี๋ยวจิตก็เผลอเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็เพง่งมีหลายแบบหลวงพ่อคะแล้วที่จิตมันแข็งแข็งทื่อๆกับเพ่งนี่มันเหมือนกันเลยไหมเหมือนกันแหละมันแข็งทื่อเพราะไปเพ่งเอาไว้ไปคมมันไว้ไปกดเอาไว้อ๋อและการที่อยากจะให้มันสติเกิดขึ้นเองก็คือต้องรอต้องหาดดูสภาวะ หัดรู้สภาวะไปเรื่อยเช่นใจเรามีความสุขเราก็รู้ใจเรามีความสุขก็รู้เนี่ยต่อไปจิตมันจําได้ว่าสภาวะของความสุขเป็นอย่างนี้พอจิตมีความสุขปั๊บนะรู้เองเลยรู้โดยไม่ต้องเจตนาจะรู้สติเนี่ยรู้โดยไม่เจตนาจะรู้ตรงรู้โดยไม่เจตนาจะรู้นี่สําคัญมากนะเมื่อไร่เจตนาเมื่อนั้นจิตจะทํากรรมจะทํางานขึ้นมาเมื่อไร่จิตจะทํากรรมขึ้นมาเนี่ยจะเกิดความรู้สึกมีตัวมีตนขึ้นมา เั้นภาวนาเนี่ยจะสนองกิเลสสนองความเป็นตัวเป็นตนตลอดเวลาเลยแต่ถ้าเมื่อไร่สามารถรู้สึกตัวนะโดยไม่ได้เจตนาจะรู้เห็นกายมันทํางานเห็นจิตมันทํางานโดยไม่ได้เจตนาแลนะ้วะถึงจะเห็นความจริงว่ากายกับจิตนี้ไม่ใช่ตัวเราถ้ายังเจตนาอยู่นะยังใช้ไม่ได้เจตนานะจิตก็สร้างภพสร้างชาติขึ้นมาสร้างทุกข์ขึ้นมาอี ก, กงั้นให้คอยรู้สึกนะแต่คนทั่วๆไปเนี่ยถ้าไม่เจตนารู้สึกตัวเนี่ยจะหลงไปเลยรู้สึกไหม ถ้าไม่เจตนารู้สึกตัวจะหลงไปเลยพอเจตนาก็ไปเพ่งรู้สึกไหมเออไม่เจตนาก็ไม่ได้นะเพราะหลงไปเลยพอเจตนาก็ไปเพ่งก็ใช้ไม่ได้อีกแล้วทําไงอ่ะทําไม่ได้หรอกหัดรู้สภาวะไปต่อไปมันจะรู้โดยไม่เจตนารู้โดยไม่เจตนานี่แหละสุดยอดของการรู้เลยนะของเราถ้ายังรู้โดยเจตนาใช้ไม่ได้หรือพอไม่เจตนาแล้วก็ไม่รู้นี่ใช้ไม่ได้นมัสการหลวงพ่อครับ ครั้งนี้เป็นครั้งที่สองนะครับผมจะเจริญสติด้วยสมถะวิปัสสนานะฮะให้หลวงพ่อช่วยแนะนําของคุณตอนนี้จิตติดสมถะอยู่คุณดูออกไหมครับผมครับเแล้วจะไปเจริญด้วยสมถะได้ไงต้องปล่อยมันนะปล่อยนะเออปล่อยมันนะคลายมันออกถ้าตอนคลายออกทีแรกกิเลสจะเยอะเลยใจจะฟุ้งซ่านอยากตกใจนะถือศีลห้าไว้ครับแล้วถือศีลห้าไว้เราปล่อยให้มันทํางานตามดูมันเหมือนดูคนอื่นไปเรื่อย ตอนกลางคืนผมมีอาการที่ว่านอนแล้วประมาณสัก4ี่ชั่วโมงหชั่วโมงเนี่ยนะฮะและ้วกลางคืนก็จะรู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลาก็ เ, เหมือนกับว่าเราพักผ่อนพอแล้วฮะอคนนี้มันมันผิดปกติจากปกติน่าปกติปกตินอนสี่ชั่วโมงเท่านั้นแหละคราวนี้เวลาที่มันเหลือนะฮะจากตีสามถึงตีห้าหกโมงเนี่ยครับผมถ้าไม่กวนคนอื่นนะก็ลุกขึ้นมาภาวนาปฏิบัติอย่างนี้ได้นะฮะ ที่สำคัญเลยฝึกรู้สึกตัวไปเรานอนหลับเนี่ยมันจะนอนแป๊บเดียวครับผมร่างกายมันนอนนานนะแต่จิตมันนอนแป๊บเดียวจิตมันตื่นก่อนพอจิตมันตื่นก่อนเนี่ยจิตมันเริ่มคิดมันคิดก็คือฝันนั่นเองครับผมจิตมันคิดปุ๊บสติก็เกิดหรือนอนนอนอยู่ร่างกายมันเมื่อยร่างกายมันพลิกพลิกซ้ายพลิกขวาสติก็เกิดครับเราฝึกอยู่อย่างเงี้ยฝึกได้ทั้งวันทั้งคืนเนี่ยใครบอกฝึกอย่างหลวงพ่อประโม่ง่าย กลายเป็นฝึกทั้งวันทั้งคืนนะไม่ง่ายหรอกไม่มีช่องว่างให้ขี้เกียจเลยฝึกนะต้องตามรู้ตามดูอย่างนี้ตลอดอย่าจงใจอย่าจงใจจงใจแรงไปครับผแรงไปนิดนึงแล้วยังมีกฎกฎอยู่ยังมีด้วยนะฮะต้องต้องต้องปฏิบัติแก้ยังไงไหมครับไม่แก้สิให้รู้เยว่ากฎไว้ถ้าไม่ไปทําต้นทางของมันนะต้นทางของการที่ไปกดไว้ไปเพ่งไว้เนี่ยคือความอยากจะปฏิบัติ ถ้าอยากปฏิบัติให้รู้ว่าอยากปฏิบัติแค่นั้นนะปฏิบัติเสร็จแล้วไม่ทันกฎแต่ถ้าอยากปฏิบัติระหว่างฟอร์มนะมีเวลามีดีเลย์ไทม์วางฟอร์มนิดนึงแล้วกดแล้วคราวนี้ยยกตัวอย่างนะอย่างหลวงพ่อเคยเรียกให้คนเดินจงกรมให้ดูอยู่ที่วัดมีคนชอบมาถามเดินจงกรมจะทําไงบอกมามาเดินเลยมาเดินโชว์หน้าสาลานี่แหละเหมืนเดินง ด, ง ด, ง ด, งดออกมานะพอมาถึงทางที่จะเดิน ใช้ไม่ได้แล้วใช้ไม่ได้แล้วใช้ไม่ให้กลับไปได้ตอนเดินกลับไปนะก็รู้สึกตัวไปอย่างนี้ใช้ได้นี่แหละเรียกเดินจงกรมไม่ได้เจตนานะไม่ได้จงใจแต่รู้สึกตัวนะแต่ถ้าจงใจแข็งแข็งทื่อๆใช้ไม่ได้หรอกแล้วถ้านั่งสมาธิวันหนึ่งประมาณสักหานาทีนี่เป็นสมถะอยู่เปล่าครับผมสมถะต้องทํา ต้องทำอยู่นะครับต้องทำนะทําไปเถอะทาครึ่งชั่วโมงก็ได้ไม่ใช่ต้องห้านาทีหรอกนะครับแต่ทําเพื่ออะไรเพื่อพักผ่อนครับนะพอจิตใจมีเรียวมีแรงมีความชุ่มชื่นเบิกบานแล้วไม่ขี้เกียจขี้คล้านมาค่อยรู้กายมาค่อยรู้ใจไว้ส่วนใหญ่ไปทําสมถะนะอย่างเราทํางานคิดหนักทั้งวันตกค่ำไปทําสมถะเดี๋ยวก็หลับแล้วมันไม่ค่อยได้เรื่องเท่าไหร่สู้ไปเดินดีกว่าครับขอบคุณครับผมสมถะทิ้งไม่ได้นะสมถะ ถึงวันหนึ่งก็ต้องทำแต่บางคนหลวงพ่อบอกว่าอย่าเพิ่งทําสมถะเพราะว่าติดสมถะติดสมถะแล้วจนไม่ยอมเดินมิปั ส, สนาแต่พอทามิปั ส, สนาแล้วเนี่ยยังไงก็ทิ้งสมถะไม่ได้กราบนมัสการค่ะหลวงพ่ออยู่ไหนอยู่ไหนก็เมื่อปีที่แล้วได้คือมีสงสถานการณ์ซึ่งอยากจะเรียนถามหลวงพ่อนะคะก็คือปีที่แล้วเนี่ยตนเองมีภาระ จนไม่สามารถปฏิคือปฏิบตัติแต่ก็คือไม่ได้มีเวลามากนักแต่พอเมื่อปีที่แล้วเนี่ยมีเหตุการณ์ซึ่งเกิดกับตัวเองมากๆเนี่ยกับรู้สึกว่าตัวเองมีสติแล้วก็ควบคุมสถานการณ์ได้แต่ในขณะที่ปีนี้เนี่ยมีเวลาว่างมากขึ้นแล้วก็ปฏิบัติเรียกว่าจะเกือบทุกวันวันละชั่วโมงถึงสองชั่วโมงแต่พอมาเจอสถานการณ์ที่เรียกว่าแบบมันเป็นปัญหาแบบง่ายๆปัญหาในองค์กรหรือว่าปัญหาของการทํางานอะไรอย่างเงี้ยค่ะกับรู้สึกว่าตนเองควบคุมสติไม่ได้แล้วก็ อารมณ์ของตัวเองเนี่ยจะสวิงมากเคิร์ฟมันจะแบบแกว่งมากก็เลยไม่แน่ใจว่าตัวเองเนี่ยอยู่ในสภาวะที่หลวงพ่อบอกว่าสงบแล้วก็ฟุ้งซ่านสลับกันอย่างนี้หรือเปล่าใช่ตอนนี้ใจมันไม่ยอมเดินปัญญานะใจมันภาวนาแต่ละวันมันมุ่งไปหาความสงบเป็นหลักนะเพราะว่ามันเบื่อโลกรู้สึกว่าสิ่งแวดลอ้อมอะนี้น่าเบือ่อเวลาภาวนาก็น้อมน้อมอเข้าไปหลบลบหลีกๆ ออกมากระทบโลกร้ายกว่าเก่ารู้สึกไหมตอนเนี้มันไม่ค่อยยอมรู้กายรู้ใจว่าเป็นไตรลักษณ์แล้วต้องเดินปัญญานะถึงจะใช้ได้เลยสงสยัยว่าทําไมปีที่แล้วถึงกับไม่ค่อยมีเวลาปฏิบัติแต่ก็ฟังซีดีอะไรไปเรื่อยๆก็ได้ปฏิบัติจริงๆละเวลาที่เรามีปัญหาชีวิตนะหรือมีปัญหาอะไรมากๆเนี่ยเราคอยดูเพราะเราไม่รู้จะทํำยังไงเราคอยรู้ทันกายรู้ทันใจตัวเองนั่นแหละเราปฏิบัติมาก พอว่าปัญหาน้อยลงใช่ไหมชักปล่อยปลาลาเลยทําเล่นเล็กน้อยน้อยทเล่นเล่นไปทําเพลินเลินเผลอเผลอไปใจก็สงบใจก็นิ่งใจสบายโล่งโล่งโปร่งโปร่งคุณตอนนี้มไปติดใจที่โล่งโล่งโปร่งโปรขึ้นมาความไปกระทบอะไรคะนี่มันเหมือนดินระเบิดเลยไม่โดนไฟแล้ววิธีที่จะแก้ไม่ให้ติดความโล่งนี่ทํำยังไงอ่ะให้รู้ทันว่าใจมันน้อมไปหาความสบายแล้วรู้สึกไหมมันน้อมไปหาความโล่งโลงว่างวงให้รู้ทันมัน <Okay. S 2> แล้วก็อีกคําถามนึงที่อยากจะเรียนถามหลวงพ่อก็คือว่าไม่รู้ว่าตัวเองติดสมถะหรือเปล่าเพราะเวลาอย่างเคยฟังหลวงพ่อพูดเนี่ยหลวงพ่อบอกว่าถ้าเกิดเรานั่งสมาธิแล้วเราขนลุกขนพองหรือว่าโยกแยกเนี่ยนี่คือสมถะแต่ตัวเองเนี่ยทําพองหนอยุบหนอแล้วก็จะนึกถึงคําพูดของหลวงพ่อตลอดเวลาว่าลู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นเวลาทำเนี่ยตอนอย่าง ท, ทําที่ตอนเช้าที่จะทําก่อนไปทํางานเนี่ยพอทําแล้วเนี่ย ก็จะรู้สึกว่าไม่รู้ไม่ได้เพ่งตรงท้องแต่ก็คือจะรู้ทั้งกายแต่เวลาทําแล้วเนี่ยมันจะดีฟลงไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะแบบจะไม่ค่อยอยากอันนั้นก็เป็นสมถะแบบหนึง่งนะสมถะ เ, เหมือนกันคือติดตอยู่ในสมถจะตจับหลักหให้ดีนะวิปัสสนาจริงๆต้องเห็นไตรลักษณ์ต้องเห็นไตรลักษณ์ของกายของใจวิปัสสนาไม่ใช่รู้กายรู้ใจของคุณตอนเช้าๆที่ไปทําอ่ะมันไปรู้กายรู้ใจเฉยๆแล้วก็ไปนิ่งๆเฉยๆอยู่กับกายกับใจนั้นสมถะนะ แล้วจะทํายังไงถึงจะเรียกว่าเห็นไตรักอะคะเนี่ยตอนนี้ใจกังวลแล้วรู้สึกไหมใช่รู้สึกว่าที่ผ่านมาน<ำ>ไม่ยอมดูความกังวลเห็นไหมเนี่ยดูสิแล้วมันถึงจะเห็นถ้าไม่ดูไม่เห็นหรอกเข้าใจไหมที่ผ่านมาทําไมไม่เห็นสภาวะเพราะไม่ยอมดูใจมันจะหนีไปอยู่กับความโล่งๆว่างๆไหมก็หนีไปคิดเฉย ๆ, ๆไม่ยอมดูเนี่ยหลงไปอีกแล้วเราอยากพูดทราบไหมฝ้าค่ะเพราะว่ามีอีกคำถามนึ่งสิอยากพูดพพ อ, อีกแล้วรู้สึกไหม คำถามหนึ่งได้ไหมคะให้ไหมคําถามสุดท้ายค่ะเรื่องคําบริกรรมมาค่ะหลวงพ่อยังแบบสงสัยอยู่ว่าตนเองควรจะต้องใช้คําบริกรรมหรือเปล่าคือบริกรรมเนี่ยนะถ้าไม่จําเป็นก็ไม่ใช้ถ้าจําเป็นก็ใช้ได้อย่างบางคนเริ่มต้นนะโกรธขึ้นมาก็โกรนน้อโกรนนออะไรเงี้ยถ้าโกรหนอเพื่อเตือนตัวเองว่าความโกรธกําลังเกิดอยู่อย่างนี้ใช้ได้ถ้าโกรนน้อโกรนนอเพื่อให้หายโกรธนี่ใช้ไม่ได้ แต่ถ้าฝึกจนชำนิชำนาญแล้วเนี่ยมันจะไม่คิดละความคิดนี่เราปิดบังความจริงเมื่อไหร่บริกรรมเมื่อ น, นั้นตกอย่างวิปัสนาจาำไหมนะหลวงพ่อครังนี้ถ้าเราบริกรรมพองหนอยุบหนอมันก็แสดงว่าเราไปติดสมถะอยู่ใช่ แ, แต่ต้องดูสภาวะของจิตด้วยไงถ้าเราเห็นสภาวะของการพองเห็นสภาวะของการยุบบริกรรมเป็นแบ็คกราวเท่านั้นเองอย่างนั้นไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าฝึกไปช่วงหนึ่งจะเห็นว่าไอ้การบริกรรมนั้นเป็นส่วนเกิน เป็นภาระที่มากเกินก็คือในช่วงแรกอาจจะบริกรรมเพื่อให้จิตมีสมาธิแล้วพอหลังจากนั้นนั่นแหละบริกรรเป็นสมถะได้บริกรรมแล้วก็ไปรู้สภาวะนะค่ะกลาขอบพระคุณกลาวนมัสการของหลวงพ่อกลาวนามสการค่ะขณะที่ฟังเทศเมอตะกีนะคะข้างในมีคนรู้สึกสบายความรู้ก็ไปรู้ว่าสบายแต่ขณะที่ฟังท่านตอบปัญหานะคะ มันมีคนรู้สึกว่า ต, ตื่นตื่นสั่นนะคะมันก็รู้ทันนะคะแล้วทีนี้คือจะสรุปว่าอะไรที่มากระทบน่ยความรู้สร้างไปรู้แล้วก็ขณะนั้นปัญญามันก็สอนโดยอัตโนมัตินะคะคือลืมลืมดูจิตไปช่วงขณะนั้นมันมันเข้าไปร่วมหลงกับความรู้ปัญญาในการสอนแล้วนะคะแล้วทีนี้คือจิตมันติดปัญญาในการสอนนะคะแล้วทีนี้ข้างในมันก็ฉุกคิดว่าจิต จิตมันทําหน้าที่เป็นผู้ดูไม่ได้เข้าไปร่วมนะคะรู้จักธรรมชาติของอแต่แต่ละสภาวะตามความเป็นจริงของมันนะคะแต่ถ้าขณะที่หลงนะคะ อ, อ, อะไรที่มากระทบความรู้มันไม่ทันจิตมันก็เข้าไปร่วมทําให้จิตทุกเองนะคะใชแ่แต่ถ้าแต่ถ้าถ้าถูกคิดได้คือแต่ละสภาวะก็รู้ตามธรรมชาติของมันนะคะไอ้ตรงนั้นไม่สําคัญนะตอนเนี้เป็นยังไงตอนนี้เหรอคะตอนนี้มัน มันตื่นเต้นแล้วมันแล้วมันก็ยังแบบหลงไปอยู่เนี่ยค่ะรู้สึกไหมตื่นเต้นนะฟุ้งซ่านกดเอาไว้หลายอันอยู่ด้วยกันเนี่ยรู้ลงปัจจุบันได้ได้ขนาดนี้กับตะกี้ไม่เหมือนกันดูออกไหมใช่ค่ะหลงไปอีกแล้วรู้สึกไหมค่ะรู้สึกบ่อยๆนะค่ะความรู้ทั้งหลายน่ะโยนทิ้งไปค่ะแล้วรู้ปัจจุบันไปคือเนี่ยอยากพูดอีกแล้วรู้สึกไหมค่ะรู้จักค่ะของคุณต้องระวังแล้วนะการภาวนาเนี่ยมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งมันชอบพูดธรรมะ ค่ะไล่อย่าไปพูดนะรู้ทันว่ามันมาแล้วเอเดี๋ยวไปพูดธรรมะค่ะนะช่วงนี้เว้นการพูดธรรมะไปเพราะถ้าเราพูดธรรมะแล้วใจจะฟุ้งซ่านค่ะเหมือนช่วงหนึ่งหลวงพ่อกินารีนั้นท่านสั่งหลวงพ่อชาบอกชาตอนนี้อย่าเทศนะะเทศเราจะฟุ้งซ่านของคุณตอนนี้ใจมันจะฟุ้งในธรรมะนะค่ะแล้วรู้สึกไหมมันเกิดมานะอัตตาด้วยใช่ค่ะมันมีกูเก่งขึ้นมาแล้วกูรู้เยอะ เป็นอ่นี้ต้องรู้ทันมันนะไม่งั้นการภาวนาของเราจะกลายเป็นเครื่องมือของกิเลสทั้งหมดเลยคยิ่งภาวนากูยิ่งเก่งแทนที่จะไม่มีกูค่ะไปดูเอานะพอละถามพอละถ้าในอันนี้ค่ะคือความรู้นะเกิดขึ้นปัจจุบันขนาดนั้นแล้วก็ดับลงปัจจุบันขนาดนั้นทิ้งไปให้หมดไม่เอาของคุณยังไม่ยอมทิ้งนะยังอะไรอาวอ์มันต้องไปเอาปัจจุบันคต้องทิ้งนะไม่งั้นของคุณจะไปติดในตัวความรู้แล้วก็อยากพูดอยากพูดธรรมะอยากเผยแพร่อะไรอย่างนี้ อยากตอบไทยมาถามเรตอบตอบแล้วใจเราเสียกลายเป็นว่าเราไปช่วยคนอื่นแต่เราเสียตัวเองต้องเอาตัวเองให้รอดก่อนอ้าวต่อไปนักวิชาการหลวงพ่อค่ะปฏิบัติมาสักพักหนึ่งแล้วค่ะรู้สึกว่าตัวเองเห็นอารมณ์ตัวเองท้่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมามแล้วก็หายไปมไม่สุขไม่ทุกข์มากเหมือนเมื่อก่อนแต่ไม่แน่ใจว่าตัวเองไปสร้างไอ้ตัวนิ่ง ขึ้นมาในตัวเองหรือเปล่าจะได้ไม่เป็นไร น, นะที่ภาวนาช่วงเนี้ดีกว่าแต่ก่อนล้วใหญ่มันค่อยเริ่มรู้สึกตัวขึ้นมาแล้วนะรู้สึกไปเรื่อยๆอย่าไปประคองก็แล้วกันถ้าประคองแล้วมันจะนิ่งเนี่ยตอนนี้ไปประคองให้นิ่งละต้องหลุดออกมาจากตรงนี้รู้สึกไหมทื่อๆไปหมดแล้วเลืดค่ะนะเ ข, กข้กัวสองที่นะ <laughs> เนี่ยไม่เข้กเลยไม่หลุดออกมาไม่เข้กอย่างนี้ไม่หลุด คอยรู้สึกนะรู้สึกไปที่ฝึกอยู่นะพอใช้ได้แล้วละ่ะนี้มันติดที่ประคองไว้มากไปนิดหน่อยสงสัยแล้วทราบไหมเนี่ยให้รู้ทันอย่างนี้ยรู้สึกไหมตรงที่รู้ว่าสงสัยไม่แก้ใจมันโล่งขึ้นมานิดหนึ่งแตถ้าเรารู้สภาวะตามความเป็นจริงนะใจจะโล่งว่างขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสงบสะาสว่างขึ้นมาแต่ถ้าเราไปประครับประคองไว้ใจก็นิ่งๆิ่ ง, งทื่อ ท, อทอไปเนี่ยตอนนี้หลงไปคิดแล้วก็อยากพูดรู้สึกไหม มีความอยากพูดผุดขึ้นแว บ, บหนึ่งให้เราคอยรู้สภาวะที่กำลังเกิดขึ้นในใจเราไปเรื่อยๆนะการปฏิบัติไม่มีอะไรมากหรอกให้คอยรู้สภาวะนะลงปัจจุบันไปทีนี้มันแอบเบือ่อโลกอยู่อยู่อตอนนี้แอบเบื่อก็ช่างมันปไปเลยเรื่องของมันจิตมันเบือ่อโลกไม่ใช่เราเบื่อนะเราก็แค่รู้ทันความเบื่อที่เกิดขึ้นถ้าเราเห็นโลกตามความเป็นจริงจะเบือ่อเป็นทุกคนแหละมันรู้สึกไร้สาระรู้สึกไหมโลกไร้สาระไม่มีอะไร แต่สลหรับต่อไปเราก็ค่อยๆดูไปความเบื่อก็เป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาช่วครั้งช่วคราวเหมือนกับความโลภความโกรธความหลงอื่นๆนั่นเอง <c oughs> พอรู้ไปนะมันก็หายไปใจเราตั้งมั่นขึ้นมารู้ตื่นเบิกบานเห็นสภาวะเห็นโลกที่น่าเบื่อเนี่ยแต่เราไม่เบื่อโลกเห็นโลกที่มีความทุกข์แต่เราไม่ทุกข์นะ <c oughs> ค่อยๆฝึกไป <c oughs> ใจยังช่างคิดนะของคุณเป็นโรคคิดเยอะ อย่าไปคิดมากให้คอยรู้ความรู้สึกของตัวเองบ่อยๆนะอย่าคิดเยอะคิดเยอะไปอยาา่าค้นคว้าอย่า ก, กลัวโง่อย่า ก, กลัวว่าไม่รู้เรื่องให้คอยรู้ความรู้สึกของเราบ่อยๆนะเดี๋ยวก็ดีเองแหละที่ทำอยู่ก็ดีขึ้นมาเยอะแล้วจิตมีปีติรู้ว่ามีปีติน ะ, ระนครับอาจารย์ครับผมม่า ขอกรรมฐานกับขอการบ้า น, าานกรรมฐานกรรมฐานหะน้าพ่อแม่ให้เรามาแล้วผมกลนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเลยนี่เรามีอยู่แล้วเราคอรู้สึกอยู่ในร่างกายนะร่างกายเคลื่อนไหวเราคอรู้สึกไว้แล้วที่ที่ผมปฏิบัติโดยการดูจิตตามซีดีของพระอาจารย์นะไม่ไม่ทราบว่าออของคุณดูออกไหมล่ะ ว, ว่าใจคุณไม่เหมือนเดิม ครับผมนะใจคุณมันเปลี่ยนแล้วนะมันโล่งว่างขึ้มนมามันใช้ได้แล้วครับผมนะของคุณรู้กายไปด้วยนะครับอย่าทิ้งกายครับอาจารย์หมดแล้วนีับน้ำมัสกงหาร อ, อาจารย์อยากแกท้ทราบว่าวิธีการเจริญส ต, ติของผมปัจจุบันเนี่ยถูกต้องแล้วหรือยังและควรปรับปรุงยังไพระองค์พอจิตมันมีสมาธิแล้ ว, วนะให้คอยรูย้ลงในกายบ่อยๆนะจิตมันมีสมาธิเยอะเมื่อมีสมาธิแล้วร่างกายเคลื่อนไหวคอยรู้สึก เห็นไหมร่างกายอยู่ห่างๆจิตอยู่ห่างๆจิตกับกายแยกกันคุณแยกได้ไหมไม่ได้ครับอย่างแยกไม่ออกเหรอไม่ได้ครับแล้วแล้วดูจิตออกไหมดูจิตได้กรณีเผลอคิดครับโอถ้าเผลอคิดดูได้นะก็วิเศษที่สุดแลเะเพราะเผลอคิดเป็นสภาวะที่เกิดบ่อยที่สุดในแต่ละวันหลวงพ่อพาให้ดูเผลอคิดไหมเนี่ยไปละเห็นไหมไม่ไม่ทราบเลยะฮะไม่ทราบอ้าวไม่ทราบเหรอนึกว่าดูเผลอคิด จะดูอะไรแนะ่ตกลงอยากดูอะไรใจดีนะเนี่ยอยากดูอะไรไม่ไม่รู้ว่าจะทํำยังไงกันจริงๆนะไม่ได้ทําอะไรหรอกอย่าคอยรู้สึกถึงร่างกายเขารู้สึกถึงใจของเราได้ๆร่างกายเราเดี๋ยวก็เคลื่อนไหวใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวก็พ ย, ยักหน้าเดี๋ยวก็รู้สึกขึ้นมาแล้วจิตใจก็ทํางานไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็วิ่งไปคิดใช่ไหม คิดไปแล้วเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายคุณคอยรู้ความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์ไปก็ได้นะเนี่ยใจตอนเนี้มันมีปีติรู้สึกไหมไม่ไม่ค่อยรู้สึกนะเะนาะไม่รู้สึกนะ <c oughs> ทั้งนั้นต้องรู้สึกกายไปนั่นแหละนะพยักหน้าแล้วรู้สึกไหมเมื่อกี้พยักหน้า อ, อรู้สึกน ะ, ะันั่นแหละดูกายไปที่หลวงพ่อบอกทีแรกแล้วว่าของคุณนะต้องดูกาย นะคุณบอกว่าคุณจะมาดูจิตที่ไปคิดดูกายไปนะเหมาะกับจริตคุณครับขอบคุณมากไม่นไหมใจดีนะอยากดูอะไรก็ได้นะแต่ว่ามันไม่ได้ตรงกับจริตทำยากฝึกกรรมฐานต้องให้ตรงกับจริตของเราของคุณทำสมถะด้วยนะที่ทำสมถะทำอยู่เดิมนั้นมันเป็นสมถะแล้วนะคุณคอยรู้ร่างกายเนี่ยเมื่อกี้กับตอนนี้ไม่เหมือนกันแล้วจิตใจรู้สึกไหม ตอนที่วางไม้ไปแล้วหลวงพ่อไม่ได้คุยด้วยตรงนั้นอะโล่งเลยตรงนั้นอะคือจิตที่รู้สึกตัวแต่ตอนนี้เป็นจิตที่เพ่งเอาไว้ะนะจะทือๆนะแต่ถ้ปล่อยเป็นธรรมชาติเลยมันจะเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลง น, ลนะมีอีกไหมในวัฒการหลวงพ่อค่ะหนูหนูฟังซีดีมา8ประมาณ8เดือนค่ะจะจะในขณะในขณะทำงานจะรู้สึกตัวขณะที่เวลามีความกโกรธหงุดหงิดมากระทบแรงๆแต่ในขณะที่สงบ ไ ม, ไม่ไม่ได้ทํางานเน่ยนะคะจะรู้แต่ ว, ว่ า, าขณะแปลงฟันหรือว่าขณะกวาดบ้านเนี่ยเขาจะเห็นว่าจิตมันไหลไปแล้วก็แล้วก็หยุดหรือบางครั้งก็จิตมันก็ไหลไปแล้วก็ไปสักสองช็อตแล้วก็รู้สึกเจ็บเจ็บะฮะแล้วถึงจะหยุดไม่ทราบว่าหนูรู้ตัวเป็นไหมคะอะไรนะหนูอะไรนะรู้ตัวเป็นไหมคะเป็นสิดูไปแค่แหละดีแล้วมันเคลื่อนไหวมันเปลี่ยนแปลงมันเป็นยังไงเขารู้ไปเรื่อย อย่างตอนนียใจหนีไปคิดทราบไหมเขาก็ไม่ตาหลวงพ่อช่วยนำหนูดูสภาวะจิตสัก ส, สองสามนาทีเอาสองสามนาทีแล้วตามวินาทีค่ะเพื่อเป็นการบ้านะตอนนี่ห<อ>ลงอยู่ลงไปคิดแล้ว<อ>มารอฟังแล้วรู้สึกไหม<อ> <laughs> ไม่ต้องนะนะไปดูเอาเองพอจะดูได้แล้วได้นะคะกั <Yeah. S 2> บขอบพระคุณค่ะ กับนามัส ก, การหลวงพ่อค่ะตอนนี้ใจหนูผิดปกติแล้วก็กายก็ผิดปกติ อ, อยากอยากขอส่งกันบ้านหลวงพ่อว่าหนูมีหนูปฏิบัติแล้วพอใช้ได้แล้วน ะ, ะเรามีอะไรตอนแรเรารู้ ข, ของเราไปอย่างนั้นแหละหนูหนูมีสองข้อที่อยากถามหลวงพ่อค่ะตอนนั้นหนูชอบเดินสวดมนต์ช อ, อนะชอบเดินสวดมนต์<อ>ค่ะแต่ว่าพอเดินเสร็จหนูก็เดินไปด้วยสวดมนต์ไปด้วยปากก็สวดมนต์ สมองก็คิดอแล้วสักพักหนึ่งเนี้ยมันมีูความรู้สึกรู้ตัวขึ้นมาอแล้วหนูก็ตกใจมากเอ้ยทําไมเราปากก็พูดขาก็เดินสมองยังคิดอีกเออนั่นแหละมันทําด้วยไขสันหลังมันมันเห็นไหมมันทํางานของมันเองใช่มันหลายอย่างมากอ่มันทําของมันเองเรามีหน้าที่แค่รู้ไปเรื่อยรู้เพื่อให้เห็นความจริงว่าไม่ใช่เราเลยค่ะแล้วเห็นรู้ดูออาที่ยังว่าที่ทําอยู่นั้นหลงตลอดเลย ใช่เห็ไหขนาดที่เดินจงกรมสวดมนต์อยู่นะั้นยังหลงเลยเห็นไหมใช่พอเราเกิดรู้ทันนะัมันตื่นขึ้นมาตกใจเลยว่าเฮ้ย<ช>จริงๆหลงอยู่ตลอดเลยเพราะงั้นในโลกไม่มีคนรู้สึกตัวหรอก<ช>อาศัยได้ฟังธรรมนะถึงได้ตื่นขึ้นมามาตื่นขึ้นมาแล้วก็สามารถรู้กายตามความเป็นจริงนะพอรู้จริงแล้วก็จะเริ่มเบือ่ออเบื่อแล้วก็คลายความยึดถือคลายความยึดถือแล้วก็หลุดพ้นแล้วก็มีความสุข อมีอีกข้อหนึ่งค่ะคือหนูจะรู้สึกตัวบ่อยมากตอนที่หนูเมอาคือพอเมาทีไรแป๊บหนึ่งก็จะรู้สึกตัวขึ้นมาอ่าดีอย่างตอนที่ร้องแป๊บหนึ่งก็หลงไปรู้สึกไหมอินเนี่ยมันค่ะแต่ว่ามันความเหมอมันไม่ได้ขาดไปเลยทีเดียวมันก็ยังชิ่งชิ่งอยู่นิดนึงอะค่ะมันไม่หายหรอกมันต้องหลงไปเรื่อยๆหลงแล้วรู้หลงแล้วรู้อ่เราไม่ใช่พระรหารยังไงก็ต้องหลงขอบคุณค่ะเชิญเชิญยม ขอนะนการหลวงพอ่อกเรียนเคยปฏิบัติของอาจารย์โกอินคามาะะล้วก็อยากจะมาเริ่มต้นของอาจารย์ก็เลยสนใจมาก็ฟังซีดีมาแต่ยังเริ่มต้นไม่ก็จะถูกก็อยากฝึก อ, าายอย่างท่านโก a, อินคาก็ฝึกต่อไปได้ไม่ได้ขัดอะไรกันนะ จริงๆแล้วกรรมฐ า, านนะไม่ได้ขัดแย้งอะไรกันใครเคยฝึกอะไรนะที่เป็นความรู้สึกกายรู้สึกใจอยู่นี่ใช้ได้อย่างของท่านโกเรนก้าก็ทำความสงบเข้ามาเช่ไหมแล้วมารู้เวทนาเราก็ทำต่อไปแต่เราเพิ่มขึ้นมานิดหนึ่งเราเห็นกายอยู่ส่วนหนึ่งเวทนาอยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่งเน mm. ี่ยตอนนี้จิตไปคิดแล้วทราบไหมยม mm. ไม่ต้องไม่ต้องฝึกดูจิตก็ได้นะฝึกดูกายดูเวทนาก็ได้ แล้วแล้วเราจะปฏิบัติยังไงกันตอนเช้าที่เราปฏิบัติหนึ่งชั่วโมงแล้วก็เย็นปฏิบัติหนึ่งชั่วโมงที่เราทําแบบอาจารย์ <ๆ S 1> คุณ <ๆ S 1> กี่กี่ชั่วโมงไม่ไม่สำคัญนะสําคัญ <c oughs> ที่ว่าเราปฏิบัติอย่างไรก็ <c oughs> นะอย่างเราไปนั่งแล้วก็ทนทุกข์ทรมานนะเมื่อยอยู่ชั่วโมงหนึ่งนะได้อะไรได้ความอดทนก <c oughs> นะ็แต่ถ้านั่งเป็นนะเราก็จะเห็นเลร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งความปวดความเมื่อยอยู่ส่วนหนึ่งนะจิตซึ่งเป็นผู้รู้ผู้ดู ความปวดความเมื่อยนะั้นนะมันอยู่อีกส่วนหนึ่งจะเห็นเลยร่างกายก็ไม่ใช่ตัวเราความปวดความเมื่อยไม่ใช่ตัวเราจิตใจซึ่งเป็นผู้รู้ผู้ดูก็ไม่ใช่ตัวเราั้องดูอย่างนี้นะแล้วมันเกิดประโยชน์ในการที่จะละความเห็นผิดว่าไกาน่นี้ใจนี้เป็นตัวเรานะแต่ถ้าบางคนไปภาวนานะพอปวดพอเมื่อยขึ้นมาก็ไปนั่งทนดูไปนะพอทนทนไปครบเวลาได้ก็ภูมิใจนะว่าวันนี้เก่งวันนี้เราข้ามเวทนาได้หรือบางทีปวดอยู่นะนั่งดูมันไปจนหายปวดเลย แล้วภูมิใจขึ้นมาว่ากูเก่งนะกูชนะเวทนาอย่างนี้ภาวนาผิดอนะภาวนาแล้วเห็นว่ากูเก่งขึ้นมาแต่บางคนเนี่ยนะก็นั่งทนดูนะเวทนาแล้วทนดูไปแต่เขาไม่ได้คิดว่ากูเก่งไม่ได้คิดภาวนาเพื่อจะเอาชนะเวทนาแต่ภาวนาไปเรื่อยดูเวทนาไปเรื่อยนะเพื่อให้เห็นความจริงเวทนาเป็นสิ่งซึ่งบังคับไม่ได้นะ มันจะมามันก็มามันจะไปมันก็ไปบังคับมันไม่ได้มันเป็นของไม่เที่ยงด้วยเดี๋ยวก็ปวดมากเดี๋ยวก็ปวดน้อยนี่ภาวนาแล้วเห็นไตรลักษณ์อย่างนี้ใช้ได้มีประโยชน์มากเลยนะหลวงพ่อเคยรู้จักคนคนหนึ่งนะเขาภาวนาเขาดูเวทนาอย่างี้แล้วทนนะนั่งอยู่หลายชั่วโมงทนทนท น, ทนวันหนึ่งก็ปิ๊งขึ้นมาเลยนะว่าตัวเราไม่มีหรอกเรนะฉั้นดูเวทนาก็ได้แต่ต้องดูให้เป็นแล้วระหว่างวันหรอคะ ถ้าเราเราทำแบบอาจารย์นี่เขาทาําเช้าเย็นและระหว่างวันเราควรจะทำอย่างไงระห ว, ว่างวันเราก็ดูไปเอย่าไปเว้นวักนะถ้าเราจะดูเวทนาเวทนามีทั้งวันเนี่ไม่ใช่มีเฉพาะตอนนั่งเมื่ตอนเรากวาดบ้านถู บ, บ้านเวทนาก็มีนี่ตอนเราซักผ้าเวทนาก็มีการปฏิบัติเนี่ยจะได้ผลดีถ้าเราไม่เว้นวักนะถ้าเราบอกว่าเช้าปฏิบัติหนึ่งชั่วโมงเสร็จแล้วเลิกเลยแล้ว เ, เย็นไปปฏิบัติอีกชั่วโมงหนึ่งเนี่ย วันหนึ่งปฏิบัติสองชั่วโมงเองอีก22ชั่วโมงนะกิเลสครอบงำนะงั้นเราพยายามรู้สึกตัวอยู่อย่างพอเรานั่งได้หนึ่งชั่วโมงเราลุกขึ้นมาเรารู้สึกอิ่มองค์อิ่มใจนั่งได้ครบแล้วดีใจดีใจรู้ว่าดีใจไปเลยนะไปทํางานนะร่างกายเคลื่อนไหวคอยรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวคอยรู้สึกฝึกอยู่ในชีวิตประจําวันนะการภาวนาต้องไม่เว้นวักเลยนะถึงจะได้ผลถ้าเว้นวักแนละ้วก็ไม่ได้หรอกก็ข อ, ขอพระคุณนะจ๊ะ มีอีกไหมมีอีกไหมยังไม่หมดเวลากลับนมาส ก, การค่ะช่วงนี้เนี่ยรู้สภาวะจิตรู้สภาวะอย่างไม่เป็นแกลงแต่<ม>ติดจะตั้งมาอย่างนเนี่ยนะแบบนักร้องอะติดจิตติดจะยินร้ายมากกว่านะคะแล้วก็ช่วงนี้จะค่อนข้างโกรธแล้วก็พานแล้วก็หงุดหงิดโยมเข้าใจอย่างนี้ถูกต้องไหมคะถูกแต่ถือศีลห้าไว้นะ จะโลรธจะงุนงิดก็ไม่ด่าใครค่ะแล้วช่วงนี้รู้สึกว่าเมื่อดูเข้าไปข้างในเนี่ยเหมือนกับว่าจิตนี่ไม่เบิกบานเต็มที่เหมือนกับว่าจิตมันดิ้นเหมือนกับว่ามีอะไรครอบจิตอยู่นะคะเข้าใจอย่างนี้ถูกต้องไหมคะอาจารย์ถูกต้องนะตอนนี้มันนุ่มๆไปหน่อยมันโดนกิเลสรัดจนมันนุ่มอยู่รู้อย่างนี้ถูกถู้ไปเรื่อยเลยใช่ไหมคะใจถึงๆนะไม่ดีก็ได้ใจถึงๆไว้เมื่อเมื่อก่อนจิตติดสงบ แต่ว่าพอช่วงนี้ทําสมาธิแล้วไม่สงบเออไม่ต้องก็ได้แต่เดิมเนี่ยเราทําสมถะเพราะงั้นพอนั่งสมาธิปุ๊บหนึ่งก็สงบไปเดี๋ยวนี้เราหัดมาเจริญสติเจริญปัญญาทใํใวิปัสนาจิตจะไม่สงบนานนะพอมันจะสงบนิดๆหน่อยๆขึ้นมาเดินปัญญาต่อมารู้เกิดดับต่อนะดีแค่นั้นก็พอแล้วพักพอมีแรงก็พอละนะขอบพระคุณค่ะกับนนมัสการพระอาจารย์ค่ะ หนูไม่ทราบว่าหนูเป็นหมูจริงหรือเป็นหมูกระดาษนะคะ <c oughs> เวลาเวลามีความรู้สึกว่าตัวเองอ่ะอยากจะเป็นอย่างนี้ใครจะคิดยังไงก็ช่างอเงี้ยคะเราก็ดูไปนะเรายึดถือในความคิดความเห็นของเราอะไรเงี้ยเราภูมิใจได้ที่เราชั้นจะเป็นอย่างเงี้ยล้วก็คอยรู้ทันนะใจมันภูมิใจขึ้นมาเราก็รู้ทันเอาก <c oughs> ิเลสเนี่ยไม่มีอะไรมากหรอกอยู่ที่เราคอยรู้ทันเขาไว้ถ้ารู้ทันแล้วเขาครอบงําจิตไม่ได้ถ้ารู้ไม่ทันเขาก็จะครอบงําเอา คอยรู้ตัวเอง อ, งอย่างตอนนี้ใจหนีไปแล้วทราบไหมรู้สึกอย่างนี้รู้สึกไหมตรงฤทที่รู้ว่าใจหนีไปนั้นมันเบิกบานขึ้นมาแบบหนึ่งนั่นแหะใจมันตื่นขึ้นมามันรู้ตื่นตอนนี้ใจมันนิ่งๆทื่อๆขึ้นมาแลวรู้สึกไหมเพราะอะไรเพราะหนีไิคิดรู้อย่างนี้เรื่อยๆนะที่รู้อยู่ใช้ได้ละ ค่ะแล้วเดิมทีหนูเคยฟังซีดีพระอาจารย์ตั้งแต่ตีสี่ถึง6กโมงทุกวันนะคะพอตอนหลังมามากลัวภัยพิบัตินะคะก็ทิ้งซีดีพระอาจารย์มาตามข่าวสารนะคะมันก็เลยเสื่อมไปโอ้แล้วเราควรจะไม่ประมาทด้วยการติดตั้ฟังข่าวสารแล้วก็ป้องกันเตรียมการไว้ต้อนรับไว้รับภัยพิบัติหรื อ, อว่า เ, <ท>เราควรเตรียมตัวนะเราก็ต้องรู้ข่าวสารอย่างเราสมมตเราทําธุรกิจเราก็ต้องรู้ข่าวสารใช่ไหม เราทำอะไรก็ต้องมีข่าวสารทั้งนั้นแหละแต่ว่าเรามีข่าวสารแล้วพอข่าวสารมากระทบใจเราเนี่ยเรากังวลตรงนี้แหละธรรมะจะช่วยเราให้รู้ว่ากังวลธรรมะไม่ได้ฝึกแล้วปิดหูปิดตาตัวเองนะไม่รู้โลกข้างนอกไม่ใช่เราอยู่กับโลกเราต้องเข้าใจโลกแต่ว่าพอโลกมากระทบแล้วเนี่ยต้องไม่กระเถือนใจเราเศร้าหมอขึ้นมาเราคอยรู้ทันเราก็จะมีความสุขอยู่นะอยู่กับโลกที่เน่าๆอย่างนี้แหละมีความสุข ทีนี้น้องข้างๆเขาวากถามว่าเวลาตอนกําลังโกรธกับรู้สึกโกรธต่างกันยัง ไ, ไงนะกับกำลังโกรธเขาเขาแยกคาถามเดียวค่ะพระอาจารย์คือว่าถ้าเรารู้สึกตัวว่าตอนนี้ยโกรธกับตอนที่กําลังโกรธเนี่ยอยากทราบว่ามันต่างกันไหมคะตรงที่รู้ว่าโกรธเนี่ยนะมันจะไม่โกรธแล้วในขณะนั้นถ้ารู้จริงๆนะ <S <S ถ้ารู้ไปโกรธไปนะี่ยังไม่รู้จริงหรอกใจไม่ตั้งมั่น ตอนนี้ใจใจหนีไปแล้วรู้สึกไหมรู้สึกค่ะที่ฝึกอยู่ในะใช้ได้แล้วอย่าคิดมากดูไปเลยค่ะค่ะขอบพระคุณค่ะกราบนมัสการหลวงพ่อคะ่ะดิฉันเป็นครูนะคะแล้วก็ปฏิบัติมาหลายอย่างเหมือนกันคะ่ะตอนนี้เพิ่งสองสามเดือนนี่ก็มีเพื่อนที่เป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อนะคะได้เอาหนังสือแล้วก็ เปิดอินเทอร์เน็ตให้ดูก็เลยได้ฟังมาตั้งกันนั้นมาทางอินเทอร์เน็ตนะคะและตอนนี้ก็ได้แผ่นแล้วก็มานอนฟังตอนนี้รู้สึกว่าจะขังใครเหมือนกันค่ะแต่ก็ยังรู้สึกว่าตัวเองนะ่ะยังไม่ทราบว่าจะดูตัวเองถูกหรือเปล่าเพราะว่ามันปฏิบัติมาหลายอย่างทั้งของโยมมันติด น, <ง> น, นิ่งมากไปนิดนึงใจมันนิ่งเกินไปอย่าไปบังคับมันไว้นะมีความรู้สึกเช่นนั้นคะ่ะเหมือนประคองก็บังคับไปต้อง เ, อเลิกไปนะ เนี่ยพวกเราน่าสงสารมากเลยเราอยากปฏิบัติอยากพ้นทุกขนะ์นั้นเราก็ไปสร้างภพสร้างชาติขึ้นมาโดยการไปเพ่งเอาไว้ไปบังคับไว้ไปประครองไว้นั้นเป็นภพเป็นชาติทั้งสิ้นก็สร้างทุกข์ขึ้นมานั่นเองแทนที่เราจะอยากพ้นทุกข์เราก็รู้ทันจิต ท, ที่ปรุงแต่งมันเลิกปรุงแต่งไปเองมันก็ไม่ทุกข์ละเราก็ไปปรุงแต่งไปปรุงการปฏิบัติขึ้นมา<ะ>ใจแอบไปคิดทราบไหมของโยมมันจะไม่ค่อยเห็นใจรักละเพราะอะไร ถ้ามันนิ่งถ้าเมื่อไหร่มันนิ่งนะ้ําจะไม่เห็นใจรักเพราะว่าตอนนี้ก็ถ้าฝึกก็ฝึกฝึกสติปัฏฐานแบบดูใจรักว่ากายนี้คือธาตุสี่ก็หมายถึงจะ<อ>คิดเอาคิดเอาค่ะ อ, ค อ, อย่างคนที่ฝึกธาตุกรรมฐานไปส่งกันบ้านหลวงพ่อเนะี่ยเขาบอกเากำลังอาบน้ําอยู่เนี่ยถูสบู่อยู่ขัดขี้ใครอยู่เนี่ยอยู่อสติปัญญามันเห็นแวบเลยไอ้ตัวนี้ไม่ใช่ควรหรอก เป็นวัตถุเป็นก้อนธาตไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเลยเนี่ยสัมผัสลงไปนะรู้สึกว่าไม่ใช่คนแล้วนี่คนเห็นคนเป็นคนนั่นแหละคนคนเห็นคนไม่ใช่คนใช่คนไม่ไม่ใช่คนแล้วนะนี่เห็นจริงๆนิงเห็นเป็นรูปเป็นนามอย่างนั้นถึงจะเรียกว่าเห็นธาตุจริงๆนะงนะธาตุกรรมฐานไม่ได้เกิดจากการคิดเอาธาตุเนี่ยเกิดจากเราเข้าไปประจักษ์ไปรู้ไปเห็นความจริงของตัวธาตุธาตุดินน้ำไฟลมมีสี่ตัวนี้นะ ธาตุดินรู้ด้วยกายธาตุนะ้านํารู้ด้วยใจธนะาตุลมธาตุไฟรู้ด้วยกายนะเพราะฉะั้นอย่างบางคนเนี่ยถูสบู่อยู่ขัดตัวอยู่เนี่ยเรารู้สึกถึงความเป็นท่อนไม้เหมือนเป็นท่อนๆนนะเป็นก้อนดินเป็นก้อนอะไรแข็งๆบางท่อนแข็งบางส่วนนิ่มหน่อยนะนี่คือธาตุดินรู้ด้วยกายนะเพราะเราเรียนธาตุกรรมฐานเราต้องรู้เลยว่าธาตุชนิดไหนรู้ด้วยอะไรธนะาตุไม่ได้รู้ด้วยการคิด อย่างเราดูว่านี่เป็นก้อนธาตุเป็นก้อนดิน อ, อันนั้นเป็นสมถะกรรมฐานค่ะพอดีฝึกมาเมื่อไวๆนี่เองค่ะตอนวันแม่เนี่ยห้าวันก็เลยได้ติดมาแนบไปเลยค่ะบอกว่ารู้สึกจะเป็นการคิดวันนี้ก็เลยขออธิษฐานหลวงพ่อบอกว่าขอให้ลูกได้ถามเพื่อเมื่อกี้ก็หมดคิวไปแล้วเจ้าค่ะพอพิธีก็มีบุญได้ถามแล้วเ<อ>จ้ะค่ ะ, ะ, ะมีอีกขอบพระคุณค่ะ ธรรมาสการค่ะหลวงพ่อหลวงพ่อเคยหนูเคยส่งกันบ้านเมื่อปีที่แล้วหลวงพ่อบอกไม่ให้นั่งสมาธิแต่หนูฟังซีดีแล้วรู้สึกว่าจิตใจมันไม่ตั้งมั่นหนูก็เลยแอบไปนั่งสมาธิจะถามว่าทําถูกหรือเปล่าคะหรือว่าให้ไม่นั่งสมาธิต่อไปทําแล้วใจทื่อไหมหรือว่านั่งสมาธิไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วรู้สึกจิตใจมันดีขึ้นนั่นแหละมันไม่เหมือนเมื่อก่อนนะถ้านั่งอย่างเมื่อก่อนมันใช้ไม่ได้หรอกแต่ตอนนี้เรานั่งเราเห็นใจมันเคลื่อนไหวไปมานะนั่งอย่างนี้ใช้ได้ แล้วทุกครั้งที่พอรู้ตัวมันก็จะมีคําถามขึ้นมาว่าไม่แน่ใจคือมันจะเหมือนกับให้รู้ทันเลยว่าไม่แน่ใจสภาวะใดเกิดขึ้นมีสติรู้ลงปัจจุบันไปเลยงั้นความไม่แน่ใจเกิดขึ้นรู้ว่ากําลังไม่แน่ใจอยู่เราจะเห็นความไม่แน่ใจเกิดแล้วก็ดับไปสภาวะทั้งหลายแสดงใจรักทั้งสิ้นเลยสภาวะอื่นถ้าเราไม่มั่นใจไม่เป็นไรก็ดูแค่ความไม่แน่ใจก็ได้ใช่ไหมเรารู้ทันสภาวะที่เกิดลังเกิดครอบงําใจเราอยู่เนี้ยเช่นความไม่แน่ใจ เราไม่ได้ภาวนาเพื่อเอาอะไรเลยนะแต่ภาวนาเพื่อให้เห็นความจริงว่าสภาวะทั้งหลายมันเป็นไตรลักษณ์เพราะนั้นเราไม่แน่ใจขึ้นมาไม่ต้องไปคิดหาคำตอบเสียเวลาไม่แน่ใจเราก็เห็นสภาวะที่ไม่แน่ใจเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปค่ะ ข, ขอบคุณค่ะเอา <Hello. S 1> คนไหนก่อนล่ะมีสองคนอ่ะคนนี้เอาคุณผู้ชายก่อนครับกับการมสกา ร, รหลวงพ่อครับนี่ ผมก็ปฏิบัติดูใจอยู่ครับลุงพ่อเวลารู้สึกว่าจิตใจมันปฏิบัติอยู่ในธรรมแล้วก็แม้แต่ตอนนั่งสมาธิจิตมันก็สงบอยู่ตอนออกจากสมาธิมันก็ยังรู้ตัวอยู่แต่ก็อยากจะถามลุงพ่อว่าผมต้องทำอะไรปรับยังไงให้มันมากหรือน้อยเขาคุณขนาดนี้คุณดูออกไหมจิตมันมีโมหานิดนึ่งมันมัวรู้สึกไหมครับ มัวรั้วมัวหมายถึงว่าตอนเรานั่งสมาธินั่งพักผ่อนไปก็ได้นะแต่พอออกมาแล้วเนี่ยเราต้องรู้ทันสภาวะที่กําลังเกิดขึ้นนะครับอย่างปัจจุบันเนี่ยใจมันมัวนิดหน่อยเรารู้มันฟุ้งซ่านเรารู้อะไรเงี้ยผมใช้ได้นะฝึกทำยีแบบไปประคองให้นิ่งนะติดนิ่งมากไปหน่อยนมัสการหลวงพ่อค่ะหนูนั่งภาวนารู้กายรู้ใจแล้วก็ พอลุกายรู้ใจไปสักพักจิตมันก็มันวูบลงมันมันมันรวมอะค่ะแล้วเสร็จแล้วมันก็แป๊บเดียวแล้วมันก็ขึ้นมารู้รู้กายรู้ใจเห่อไปคิดแล้วก็เดี๋ยวมันก็วูบอีกอะค่ะอันนี้มันมันเป็นอะไรลนะคะหลวงก็คิดว่าถ้าจิตรวมมันต้องรวมนานๆแต่ว่ามันรวมไปแป๊บหนึ่งใหญ่ๆแล้วก็ขึ้นไหมไม่จําเป็นต้องรวมนานนะพวกติดสมถะเนี่ย เวลาเขาจะพักก็พักนานแต่พวกที่จิตมันชอบเดินปัญญาเนี่ยมันไม่พักนานมันรวมประเดี๋ยวเดียวมันก็ขึ้นมาแล้วใช่ค่ะจิตขนาดนี้ไม่ธรรมดาดูออกไหมอันนี้ตื่นเต้นค่ะมันจิตธรรมดาดูออกใช่ไหมเห็นไหมจิตไม่ตั้งมั่นดูออกไหมใช่ค่ะนะนั้นเนี่ยดูลงไปเรื่อยๆนะแล้วตัวตัวรู้ของหนูนี่หนูมีแล้วอย่างคะ่ะแต่หนูรู้สึกว่าดูเห็นกายมันอยู่ห่างๆอยู่บนหัวค่ะมันอยู่ห่างๆนะแต่อย่าไปเพ่งใส่มันนะ แค่รู้สึกว่ามันมีอยู่แล้วมันเดี๋ยวก็เป็นตัวรู้เดี๋ยวก็เป็นตัวหลงแต่มันรู้สึกว่ามันคงอยู่ได้สักพักใหญ่ๆอะค่ะถ้าคงอยู่นานๆเนี่ยเกิดจากการเพ่งเอาไว้แสดงว่าหนูไปเพ่งไว้เหรอคะใช่มันถึงได้รวมบูบูบไงอ๋อค่ะก็คือว่าพอพอพอเรารู้ว่าเรารู้สึกตัวปุ๊บเนี่ยมันก็เหมือนว่าเราดูรู้แล้วเราก็เหมือนกับว่าลืมมันไปซะอย่าไปจับมันไว้เออลืมมันไปใช่อย่าไปจับมันไว้ค่ะขอบพระคุณค่ะ กราบนพิธการหลวงพ่อจ้าค่ะพอดีมีสภาวะอันหนึง่งเหมือนกับว่าถูกสั่งหรือถูกบังคับจากจิตนะคะคือข อ, ขออนุ ญ, ญาตเล่านิดนึงนะคะ่ะเมื่อวานสื่อนเนี่ยค่ะกาลังหลงอยู่แล้วก็ออกมาทานข้าวพอดีที่ร้านนี่ยนะคะเขาเขาเล่นดนตรีก็ตีกลองปึ้งตกใจรัวๆโมโหกรดมากแล้วพอเดี๋ยวพนากาักงานก็มาเต้นให้ดู รู้สึกสงสารเขาอะนะคะว่าเาอุตส่าห์มาเต้นให้ดูก็พยายามจะสบตาเขาแล้วก็ยิ้มให้พอเสร็จแล้วออกมาแต่ตรงนั้นรู้สึกแแมงแแมงรู้สึกรู้สึกตึงหิตรึงหิตว่าเอ๊ะอะไรเียคะ่ะพอออกมาปุ๊บเจอคนหูหนวกเขียนบอกว่าช่วยซื้อข้าหูหนวกนะคะก็ก้มลงไปซื้อขนมเขา่ะก็รู้สึกแแมงแงแล้วพอเดินไปอีกนิดนึงเห็นขอทาน กำลังถือขนมอยู่ก็งงๆไค่ะแต่รู้สึกอยากให้ก็เอาขนมเนี่ยให้ขอทานไปแต่พอลงจากตรงนั้นมาปุ๊บเนี่ยค่ะมันเหมือนกับว่าสภาวะที่เรายิ้มให้กับพนักงานในร้านสภาวะที่เรารู้ว่าเราอยากจะให้ตอนซื้อขนมพอสภาวะที่เรารู้สึกว่าเราอยากให้อีกตอนที่เราให้ขอทานมันเหมือนกับบอกว่าไม่ใช่หรอกไม่ใช่หรอกนั่นน่ะสนองตัญหาตัวเองอดีที่เห็นนะ ดูไปเรื่อยๆดีดแล้วล่ะจริงๆเราทําอะไรทุกวันเนี้ยนะถ้าสังเกตให้ดีทําไปเพื่อสนองความเป็นตัวเป็นตนทั้งนั้นนะั้นเราสังเกตกระทั่งการปฏิบัตินะเราปฏิบัติเราก็อยากบรรลุมากผลนิพพานอันนีนะ้น ป, นปฏิบัติเพื่อสนองอัตตาตัวตนนั่นแหละแล้วก็ต้องอาศัยรู้ทันเอาค่ะหลวงพ่อคะแล้วก็กลับไปถึงบ้านก็ยังคิดว่าคืออะไรนะคะก็นึกว่า อยากจะลองดูอีกสักทีว่าจิตเขาจะบอกว่ายัางไงเขาจะสั่งยังไงก็นึกถึงคนใกล้ตัวก่อนพอดีที่บ้านมีคนนึงปวดขามากก็เอาน้ํามันเนี่ยครัไปให้เขาทาบอกว่านี่อันเนี้ยเคยทาแล้วหายตรงนั้นจิตมันบอกว่าเออเมตตานะเออนี่ยแหละอยู่ที่รู้ทันนะถ้าประกอบด้วยสติหนึ่งจะเป็นกุศลแท้นะออจิตดวงใดไม่ประกอบด้วยสติเป็นอกุศล ง, งั้นอยู่ที่เราฝึกสติรู้ทันให้ดีงั้นที่ที่จิตคิดว่า ไม่ใช่หรอกสนองอัตตานั่นก็คือเป็นอกุศลใช่ไหมคะขนาดนั้นก่อนหน้านั้นเป็นอกุศลตรงที่รู้ธรรเนี่ยเป็นกุศลนะครับขอบพระคุณค่ะก็ก่อนจะถึงขั้นตอนสุดท้ายนะครับมีบุญมาฝากคื อ, เ, อเกี่ยวกับเรื่องกล่อ ง, องรับปัจจัยของหลวงพ่อนะครับอย่างที่ตอนก่อนหลวงพ่อมาได้เรียนให้ทุกท่านทราบเรื่อง การทําลานจอดรถนะครับเรื่องนี้หลวงพ่อได้ทราบเรื่องแล้วนะครับก็เพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้แก่ท่านที่มาฟังธรรมแล้วก็ไม่เป็นการรบกวนผู้อยู่อาศัยในหมู่บ้านใกล้ๆศ า, าลาลุงชินนะครับหลวงพ่อก็เลยจะมอบปัจจัยที่ญาติโยมร่วมใจกันถวายให้หลวงพ่อเนี่ยมอบต่อให้คณะกรรมการศ า, าลาลุงชินนะครับเพื่อนําไปใช้เป็นประโยชน์ต่อสถานที่แห่งนี้สืบไปนะครับ ขอให้ญาตโยมทุกท่านร่วมกันอนุโมทนานในกุศลได้ร่วมกันที่ได้ร่วมกันทำกับหลวงพ่อในครั้งนี้ด้วยนะครับอ่าแล้วก็ถึงขั้นตอนการถวายทานนะครับขอให้ทุกท่านร่วมกันถวายอ่ผมเป็นตัวแทนกล่าวคนเดียวเลยนะครับ ข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายเครื่องปัจจัยทายธรรมและสิ่งของอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระอาจารย์ประโมดปาโมดโชขอพระอาจารย์ได้โปรดรับเพื่อประโยชน์สุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายและครอบครัวตราบสิ้นกาลนานเทิญยถาวาริวหาปุราปริปูเรนตีสาขรังเอวเมวายโตทินัางเปตานังอุปกปติ อิชิตังปฏิตังทุมหังชิปเมวาสมิชตุสัพเพปูเรนตูสังกปาะจันโธพันนารโสยถามณีชโชติราโสยถาสัพพีติโยวิวัตชันตูสัพโรคโควินาสตูมาเตภวั ต, ว, ตวันตระโยสุขีที่คายโยโกภาอาภิวาธนาศีลิสนิจังุทธาปัจจายิโนจัตตาโรธรรมาวทันตีอายุวันโนสุขขังพระลัง ไปทำนะทานะอย่าเว้นวักนะหลวงพ่อไปเรียนจากหลวงปู่ดูนหลวงปู่เทเสเลยไม่เคยเว้นเลยนะไม่ต้องให้อาจารย์จำจี้จำชัยนะ